ดีสักหกสิบชุดเพื่อที่จะเอาไปแจกในงานศพของคุณป้าเขาคุณหมอที่นังเคยยังเสกยใจพอดีเขาเสียชีวิตม า, า, ม า, าเมื่อเมื่อวันศุกรก็เลยฝากถามป้าจานาาันว่นาเพื่ <c oughs> อไะได้ชุดวิดีหรือหนังสือก็ได้เขาค่ะพอดีเขาปรับโยมมาให้เรียนคือมัน ไ, ไม่ มันไม่มีพอที่จะไปแจกเป็นมากๆขนาดนั้นบอกว่าพอต้องเอาไว้แจกสําหรับคนที่เข้ามาอขอให้ก็ไปหาหนังสือที่อันนี้ก่านนะหนังจากเขาจะไปพิมพ์เองก็ได้ต้องติดต่อที่โรงพิมพ์เอง่อทีในหนังสือเล่มสีเหลืองเนี่ยลองเล่มสีเหลืองเนี่ยเข า, เขาลองลองเอาไปแล้วลองโทรไปติดต่อถามก็ดู เขามีบางทีก็พิมพ์เผื่อเก็บไว้อยู่อ เ, เอาหนังสือเรื่องสีเล่งไปใ น, ในนั้นจะมีมีลงพิมพ์มีเบอร์โทรของลงพิมเขาลองลองโทรไปติดต่อเขาดูาสบายดีนะเขาโยมก็เพิ่งกลับมาเมื่อไม่กี่เดือนที่แล้วเหมือนกอนเราไม่อยากจะกลายเป็นที่พิมพ์เอที่ให้คนมาเอาหนังสือไปแจก ติดต่อกันเองดีกว่า้ค่ะส่วน CD นี่จะเอาไปแผ่น2แผ่นล้วไป Copy ก, ก็ได้เนี่ย<อ>ไปทำเองต่อได้้จะขอ อ, อรนรุญาตพระจำราช Copy ได้ได้ได้ไดเอาไปทั้ ง, องเออเอาไวาเขาสั่งการก๊อปปี้นี่อย่างนี้ใครมีเครื่องคอมก็ทำก๊อปปเองได้ หรือไปจ้างเขาคัดี้ให้ก็ได้เราเอาหนังสืออีกสองเล่มนี้ไปให้เขาด้วยก็ได้เผื่อเขาจะไปติดต่อที่โรงพิมพ์เองนะถ้าเขาชอบเล่มไหนก็ให้เขาเลือกกอนหนังสือแจกนี่มันก็แจกได้หลายแบบเหมือนกับ คือแจกแบบให้กับคนที่เขาตั้งใจจะมารับกับไปแจกกับคนที่เขาไม่ตั้งใจจะรับนมันไม่เหมือนกันประโยชน์มันจะไม่เหมือนกันเช่นแล้วคนเข้ามางานศพนี่ก็ไม่ได้ตั้งใจจะมารับหนังเสือเขาตั้งใจจะมาแสดงคารวะกับผู้ลงรับไปแล้ว หรือให้กำลังใจต่อผู้ที่ยังอยู่เขาก็ไม่ได้สนใจเรื่องหนังสือทรมมกธรรมะลาบไปแล้วบางทีเขาก็เอาไปวางไว้เฉยๆไม่เกิดประโยชน์แต่คนที่มาที่นี่เขาตั้งใจเลยมาฟังธรรมเขาไม่ได้มางานศพใช่ไหมที่มานี่มางานศพหรือเปล่ะ เพื่อธรรมะใช่ไหมมาฟังทอคนไปงานศพในเวลาพระเทศเขาก็ไม่ฟังกันเลยใช่ไห ม, มเขาก็นั่งคุยกันรอให้พระเทศให้จบจะได้เอาดอกไม้ไปเอาดอกไม้จานไปไหว้บุญลงศพจะได้กลับบ้าน<ม>เขาก็ไม่ได้สนใจเรื่องธรรมะนี่นะนี่ก็เป็นเหตุทำไมเราไม่อยากย ะ, ะ, ะคือ ไม่ก็ไม่ไม่ไม่ไม่ถึงกับห้ามอให้เขาขวนขวายเอาเองถ้าก็อยากจะได้หนังสือก็ติดต่อที่ลองพิมพ์เอาเองแล้วพิมพ์ไปพอนังสือที่ก็พิมพ์มานี่ก็ให้มาแจากที่นี่เดี๋ยวถ้าให้เขาไปกลัวไม่คนนี้แล้วเดี๋ยวคนก็จะมาเดี๋ยวใครมีงานสมไม่มีของแจกก็มาเอาหนั ง, นงสือที่นี่ไปแจกมันง่ายดี เราก็ต้องมาคอยพิมพ์หนังสือมาเพื่อมาให้แจกกับคนที่ก็อยากจะอ่านหนังสือเดี๋ยวจะไม่เข้าใจว่าทําไมอาจารย์บางทีก็ไม่เมตตาบางทีก็มเมตตาเมตตามันก็ต้องมีเหตุมีผลเข้าใจไมไม่ใช่เมตตาทุกเรื่องทุกอย่างมันก็มันก็แหลอมันต้องมีเหตุมีผลทําอะไรต้องอ เลยถึงประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นเหตุผลก็คือทำอย่างนี้แล้วป ร, ประโยชน์จะเกิดขึ้นมากน้อยเพียงไรถ้าไม่เกิดประโยชน์ทำไปทาไมแจกหนังสืองานสอบแล้วไม่มีคนอ่านแจกไปทำไมแจกลอตเตอรี่ก็ดีกว่าอะ <laughs> บางทีงานศพเราเราจะแจกลอตเตอรี่นะคอนระบายคอนระบาดีไหมแ <laughs> ย่งกันเลย <laughs> อ้าวไหนจะแจกก็แจกของที่เขาอยากได้ใช่ไหอไปแจกของที่เขาไม่อยากได้ใครก็กรับไปอย่างนั้นแจกของที่เขาอยากได้อย่างหนังสือที่นี่ก็ไม่ได้เอาไปแจกใหม้มา บางทีคนบางคนทิดว่าทำไมไม่เอาไปแจกคนเ้านั่งอยู่นี่เยอะมาเยอะแยะขนาดมาเราก็ยังไม่แน่ใจว่าเขาอยากจะได้หรือเปล่าเราก็ไม่อยากได้เอาไปให้เขาเดี๋ยวก็หนักมือเขาอีกก็ต้องฮิ้วกลับบ้านไปบางคนเขาชอบอ่านบางคนก็ชอบฟังบางคนชอบมาฟังสดๆที่นั้นก็เลยต้องปล่อยให้เป็นไปตมามอัธยาศัยก็วางไว้หลายอยา่าง ต้องการอ่านก็หยิบไปอ่านใครต้องการฟังก็เอาไปฟังพยายามทำแบบธรรมะจัดสรรด้วยรู้จากคำว่าธรรมะจัดสรรไหยนี่แหละธรรมะจัดสรรก็คือให้มันเป็นไปตามตามเหตุตามผลอย่างสถานที่ปฏิบัติธรรมวันนี้ก็มันก็เป็นไปตามเหตุตามผลเนี่ย ก็ไม่ได้ตั้งใจให้มันเป็นในรูปแบบนี้มันก็เป็นเขอมันไปเมื่อก่อนก็คนมาก็มาศาลากันมาฟังบนศาลากันทีนี้คนมากๆเข้าศาลามันก็ไม่พอนั่งเขาก็เลยเอาเสือปูนั่งกันตาเนี่ยตามทางเดินตามพื้นที่ที่นั่งกันอยู่นี่ก็ไม่ได้ทำไห้เพื่อจะให้นั่งฟังเทศนะตอนก็คิดว่าฟังที่ศาลาน ตอนตอนก็คิดอยู่เหมือนกันว่าถ้าคนมาเยอะนี่อาจจะต้องขยายศาลาก็เลยไปทำศาลาด้านหลังไปต่อเติมหลังคาชั้นหลังคาให้เป็นมีหลังคามีเป็นเหมือนศาลายัานเองตอนต้นก็คิดว่าอันนั้นใหญ่กว่าทำอันนี้เสร็จแล้วจะย้ายไปที่บนนั้นแต่ก็ไม่มีใครไปกันะตัวก็อยู่ตรงนี้ เวลาหลังเล็กมันเล็กไม่ก็ไม่มีคนขึ้นมานั่งอยนางนี้ชอบนั่งตามตามตามพื้นดินกลเป็นธรรมชาติกว่ารู้สึกว่านั่งฟังเทศฟังธรรมแบบนี้แล้วใจมันสงบกว่ามากกว่าที่ไปนั่งใต้ชายคาใต้หลังคาบ้านอยู่บ้านก็ฟังมาแล้วเขาก็บ่าคนทีฟ่ฟังที่บ้านเขาก็บอกว่าบรรยากาศไม่เหมือนกันที่ที่คนที่ติดตามสดอยู่ตอนนี้ ฟังที่บ้านกลับมาฟังที่นี่เขาว่าบรรยากาศมันไม่เหมือนกันเพราะถึงแม้ว่าจะเป็นการถ่ายทอดสดแต่สถานที่ที่คนดูนั่นไม่เหมือนกันบางคนอยู่ในบ้านก็มีเสียงรถเครื่องโค้งรอบบ้านเนี่ <c oughs> บางคนก็ขายของไปดูไปบางคนก็นั่งอยู่บนรถ ด, ดูไปฟังไปบรรยากาศมันก็ต่างกันไป บางคนก็บอกต้องมาที่นี่ก็ามาที่นี่แล้วฟังสดๆนี่มันได้มันได้อัดได้ได้ทำมากกว่าเพราะสถานที่การฟังธรรมนี้ก็มีส่วนที่จะทำให้เกิดผลคือความสงบของใจถ้าฟังในที่สงบนี่มันจะทำให้ใจมีสติมีสมาธิง่ายกว่า ที่ไปอยู่ในที่มีเสียงอื่กระ ท, ทุ้บคึกโครมเวลาไปงานศพไปฟังเทศฟังธรรมตะในวัดใ น, นในบ้านในเมืองนี้ฟังไม่ค่อยรู้เรื่องอ่ะเพราะมีอะไรเสียงอะไรเยอะแยะไปหมดเสียงรถเสียงลาเสียงคนทํานู่นทนํานี่เพราะไม่ใช่ทุกคนจะนั่งเฉยๆฟังกันบางคนเขาก็เตรียมทํากับข้าวเตรียมเลี้ยงแขกทําน้กกําแจกอะไร บางทีพระเทศไปคนก็เอาน้ามาแจกไปเครื่องดื่มมาแจกบรรยากาศของการฟังธรรมมันเลยไม่เอื้อต่อความสงบไม่อื้อต่อความเข้าอกเข้าใจของการฟังเทศฟังธรรมถึงบอกว่านี่ที่ทำเลยทุกอย่างที่นี่มันเลยกลายเป็นธรรมะจัดสรรไปโดยไม่ได้วางแผนไว้เลยเชื่อไหมไม่ได้คิด ถ่ายทอดสดนี่ก็ไม่เลยเคยคิดถึงมันถึงเวลาธรรมะจัดสรรมันก็จัดมาให้เมออือ่ อ, อก่อนนี่ก็ไม่มีไมโครโฟนไม่มีอะไระก็ต้องอาสัยมาฟังที่ใกล้ๆที่ศาลาเดี๋ยวนี้มีการทำไมโครโฟนแบบไร้สายอเอาไปตั้งตามจุดต่างๆจะนั่งตรงไหนก็ฟังได้ อันนี้ก็เป็นเรื่องของธรรมะจัดสรรก็ดีสบายไม่ต้องทำอะไรเรามีหน้าที่พูดธรรมะอย่างเดียวเราทำส่วนของเราส่วนของคนอื่นเขาก็มาทำของเขาเองญาติโยมก็หิ้วเสือหิ้วอะไรมาซื้อเสือมาให้ซื้อล่มซื้ออะไรมาเพราะบางทีเดี๋ยวฝนตกก็มีล่ม ต่างไปเวลาจะกลับขึ้นรถกลับบ้านงทีฝนตกทุกอย่างมันก็เป็นตัวเองเก้าอองเก้าอี้มันก็มาเองคนที่เขานั่งกับพื้นไม่ได้นั่งพ้าเพียบไม่ได้เขาก็เอาเก้าอี้พลาสติกมาเราก็ไม่ต้องทำอะไรสบายจะทำก็เพียงแต่คอยคอยเบรกไว้เท่านั้นว่าอย่าให้มันมากเกินไป มีคนมาอยากจะให้มาทำหลังคาเพราะบางช่วงมันมีแดดเราอย่าไปทำเลยหลังคาทาแล้วมันไม่เป็นธรรมชาติทำแล้วมันเสียบรรยากาศะ้างบนนี่พยายามควบคุมเรื่องการก่อสร้างถ้าไม่จำเป็นจริงจะไม่ให้สร้างกลเดี๋ยวสร้างไปมันทาลายธรรมชาติพวกเราหนีบ้านหนีช่องมาที่นี่เพื่อมาหาธรรมชาติกันมาหาธรรมะกัน เราอยู่ที่บ้านนี้ ม, มีมีอะไรก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างเยอะไปเยอะแยะไปหมดอจนกระทั่ ง, าางกลายเป็นขยะทางหูทางตาไปมองไปไหนมีแต่สิ่งปลูกสร้างละเกลละกะไปหมดไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยแต่ต้นไม้ของตามธรรมชาตินี่ถึงแม้ว่ามันจะไม่เป็นระเบียบแต่กลับดูไม่ไม่รู้สึกว่ามันไม่เป็นระเบียบไม่รู้สึกว่ามันเกะกะตาเห็นเห็น เห็นกิ่งงองกิ่งไม้เห็นเถาวงเถาวันมันพันกันไปพันกันมามันก็ดูสบายตาไม่เหมือนกับเวลาไปในบ้านในเมืองเห็นสายโทรศัพท์สายไฟฟ้ามันพันกันมันเกี่ยวกันโอดูแล้วบางทีปวดหัวแปลกนะถ้าเป็นของธรรมชาตินี้ดูแล้วมันไม่ค่อยมีอารมณ์เท่าไหร่ไม่เหมือนกับของที่มนุษย์เราทำกันนี่ ดูแล้วมันทำให้เกิดอารมณ์ขึ้นมาบรรยากาศมันไม่เหมือนกันการพาะฝังธรรมะมันต้องอาศัยบรรยากาศของธรรมชาติพระพุทธเจ้าพระสาวกทั้งหลายนี่ท่านศึกษาท่านปฏิบัติธรรมท่านบรรลุธรรมในป่าในเขาทำกางสิ่งแวดล้อมที่เป็นธรรมชาติ พวกเราที่อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เป็นที่ไม่เป็นธรรมชาตินี้ไม่ค่อยมีใครบรรลุธรรมกันเท่ไรเพราะมันไม่เป็นธรรมชาติสิ่งต่างๆที่มนุษย์สร้างกันขึ้นมานี้สร้างด้วยกิเลสทั้งนั้นเนะชื่อไหมบ้านช่องที่เราอยู่กันเนี่ยสิ่งต่างๆถนนหนทางรถ ล, ลาเครื่องไม้เครื่องมืออะไร เ, เต็มไปหมดในบ้านในเมืองเนี่ยเป็น ผลงานของกิเลสตัณหาทั้งนั้น่ะกิเลสตัณหามันไม่ได้ทำให้เราบรรลุธรรมกิเลสตัณหามันทำให้เราโงา่ทำให้เราตาบอดทำให้เรามองไม่เห็นธรรมกันกิเลสมันคือโมหะโมหะก็คือความหลงอวิชาก็คือความโง่ไม่เห็นธรรมทำอะไร ก็ไม่เห็นอริยาสัจสี่นี่ไม่มีใครเห็นทุกขสมุทัยนิโรธมคทั้งมีอยู่ในใจตลอดเวลาแต่มองไม่เห็นกันไม่รู้กันไม่รู้ว่าทุกข์คืออะไรไม่รู้ว่าสมุทัยคืออะไรไม่รู้ว่านิโรธคืออะไรไม่รู้ว่ามรรคคืออะไรเวลาทุกข์ก็ไม่รู้ว่ามันเกิดจากอะไร กลับไปคิดเหตุที่ทำให้เกิดผิดที่เหตุที่ทำให้เกิดทุกข์คือสมุทัยนี้ก็คืออัหาความอยากกิเลสต่างๆกลับไม่เห็นว่ามันเป็นตัวต้นเหตุของความทุกข์กลับไปเห็นมันเป็นต้นเหตุของความสุขสอนคนว่าอย่าประหยากอยากแล้วทุกข์นะถ้าไม่อยากแล้วบ้านเมืองจ ะ, จะเจริญได้ยังไง ถ้าไม่อยากก็ไม่มีใครสร้างถนนไม่มีใครสร้างตึกรามบ้านช่องไม่มีใครสร้างอะไรต่างๆแล้วมันอะไรมันจะเจริญได้อย่างไงเขาคิดอย่างนั้นเขาคิดว่าต้องมีความอยากกันคนเราต้องมีความอยากถึงจะได้สร้างสิ่งต่างๆขึ้นม า, าแล้วความเจริญก็เกิดขึ้นม า, เ, าเกิดเกิดจากความอยาก แต่เขาไม่เห็นความทุกข์ที่เกิดจากความอยากเวลาอยากแล้วมันอยู่เป็นสุขไหมมันอยู่เฉยๆได้หรือเปล่ามันเครียดมันฟุง้งมันวุ่นวายใจกว่าจะได้สิ่งที่อยากได้มาพอได้มาความเครียดก็หายไปชั่วคราวเ๋วความอยากใหม่เกิดขึ้นมาความเครียดก็เกิดขึ้นมาใหม่ พวกเราทุกว <krit> er. mm ัน hmm. น um, ี <Hur ting. S 2> Ho ้ที่เครียดกัน hmm. ก็เครียดด้วยความอยากไม่ได้เครียดด้วยอะไรหรอกวุ่นวายใจก็วุ่นวายเพราะความอยากไม่สบายใจก็ไม่สบายใจเพราะความอยากแต่เรากลับมองไม่เห็นว่ามันเป็นเพราะความอยากเรากลับไปเห็นว่าเพราะเราไม่ได้สิ่งที่เราอยากเพื่อเหร่ทำให้เราเครียดเพราะว่าเวลาเราได้สิ่งที่เราอยากแล้วมันหายเครียดใช่ไอม ก็เลยคิดว่าออพอเราได้สิ่งที่เราอยากเราก็หายเครียดงั้นเวลาอยากแล้วมันต้องหามาให้ได้ทีนี้มันก็เลยทำให้หากันแบบแบบผิดกันหาแบบฆ่าฟันกันแย่งชิงกันก็เลยกลายเป็นการไปสร้างความทุกข์ให้กับคนอื่นตัวเองทุกข์แล้วยังไม่พอยังต้องไปสร้างความทุกข์ให้กับคนอื่นด้วย เห็นเขามีเงินมีทองเราไม่มีเราอยากจะได้เงินได้ทองเหมือนเขาก็เลยไปขโมยข อ, ของเขามาเพราะเราหาอีกไม่ได้พอได้เงินทองมาก็หายเครียดเอาเงินไปเที่ยวไปกินไปดื่มไปเล่นกันเดี๋ยวพอเงินหมดก็เครียดอีกแล้วต้องหาเงินอีกแล้วก็วไปขโมยบ่อยๆเดี๋ยวไม่ช้าก็เร็วก็ถูกเขาจับเ ข, าข้าคุกเข้าตารางไปก็ไปเครียดอยู่ในคุกกั น, นีก แล้วก็ไปตีกันในคุ ก, กไปไปทะเลาะวิวาสกันในคุกไปกันแกล้งกันในคุกไปเบียดเบียนกันในคุกอีกเพราะเกิดความเครียดขึ้นมาเกิดความอยากขึ้นมาเนี่ยปัญหาทั้งปวงนี้ถ้าวิเคราะห์ตามที่พระเจ้าทรงวิเคราะห์เราจะเห็นว่ามันเกิดจากความอยากของพวกเราเท่านั้นแต่พวกเราก็มองไม่เห็นกัน ว่าเราไม่ได้มาหันมามองจุดที่มันเกิดขึ้นว่ามันอยู่ตรงไหนกันไมน่มาดูจุดที่เกิดของความทุกข์ว่ามันเกิดที่ตรงไหนไม่มาดูเหตุที่ของความทุกข์ว่ามันเกิดที่ตรงไหนแล้วไม่มาดูเหตุที่จะทำให้ความทุกข์นี้ดับไปว่าอยู่ที่ตรงไหนมันอยู่ในใจของเราหมดนี่เลย แต่เราไม่มีวันจะเห็นกันเพราะเราถูกโมหะความหลงนี่หลอกให้เราไปเห็นกับสิ่งต่างๆภายนอกใจเราเราะคิดว่าสิ่งต่างๆนี่แหละเป็นสิ่งที่จะมาดับความทุกข์ใจของเราเวลาเราไม่สบายใจพอเราได้ไปทำสิ่งที่เราอยากไปทำเราก็หายเช่นอยากไปเที่ยว อยู่บ้านคนเดียวก็เหงาว้าเหวพอออกไปเที่ยวข้างนอกกับเพื่อนฝูงก็ดีใจสนุกสนานเฮฮาความเศร้าความโศกความว้าเหวก็หายไปยก็เลยคิดว่าเนี่ยข้างนอกคือสวรรค์ที่บ้านนี้เป็นเหมือนนรกอยู่บ้านไม่ติดกันต้องออกจากบ้านไปเรื่อยๆต้องมีเพื่อนมีแฟนถึงจะมีความสุข แล้วเวลาเกิดเพื่อนไม่มีแฟนไม่มีก็ทุกข์ขึ้นมาอีกอาการแก้ความทุกข์ด้วยการทําตามความอยากนี้มันแก้ได้ชั่วคราวแล้วก็เดี๋ยวก็เจอความทุกข์ใหม่เพราะเวลามีเพื่อนก็สุขกันแตวเวลาไม่มีเพื่อนก็เหงาเหวีกว้าเหว เวลาได้ไปเที่ยวก็สุขกันเวลาไม่ได้ไปเที่ยวก็ว้าวเวเวลาได้อะไรตามใจอยากก็ดีใจกันเวลาไม่ได้ทางใจอยากก็เสียใจกันน้อยใจบ้างโกรธบ้างไม่เห็นไม่มองว่ามันเป็นผลที่เกิดจากความอยากของเราทั้งนั้นเราไม่รู้จักทําใจของเราให้เป็นธรรมชาติ อยู่กับธรรมชาติอยู่แบบไม่ต้องมีอะไรอยู่โดยไม่มีความอยากอันนี้แหละเป็นความสุขที่แท้จริงคืออยู่โดยปราศจากความอยากถ้ายังมีความอยากอ ย, กอยู่ก็ต้องกำจับมันอย่าไปทําตามความอยาก เพราะการทำตามความอยากเป็นการเพิ่มความอยากให้มีมากขึ้นการไม่ทาตามความอยากเป็นการลดความอยากให้น้อยลงจนไม่มีหลงเหลืออยู่ในใจเพราะไม่มีความอยากหลงเหลืออยู่ในใจแล้วก็ใจก็จะสบายเหมือนกับตอนที่เราได้อะไรได้อะไรตามความอยากเราตอนนั้นเราสบายใจเพราะอะไร พอความอยากมันสยบมันสงบตัวไปชั่วข่าวมันหายไปความอยากไปเที่ยวมันหายไปแล้วใช่ไหมเวลารได้ไปเที่ยวแล้วเมื่อมันได้เที่ยวแล้วมันจะไปอยากเที่ยวทำไมมันได้เที่ยวแล้วมันก็ไม่อยากเที่ยวแล้วพอไม่มีความอยากเที่ยวมันก็สบายทีนี้มันจะไม่สบายเพามันอยากกลับบ้าน้ะมันเหนื่อย้วทีนี้อยากกลับบ้านนะถ้าไม่ได้กลับบ้านก็แห ม, ไ, มไปติดอยู่ตาม สถานีรถไฟไปติดอยู่ตามาสนามบินเครื่องบินเสียมีปัญหาต้องรอทีนี้ก็ทุกข์อีกแล้วนี่ขนาดได้ไปเที่ยวยังยังทุกข์ได้เลยเวลาไปเที่ยวแล้วเกิดความอยากจะกลับบ้านขึ้นมาแล้วไม่ได้กลับบ้านขึ้นมาทีนี้ก็ทุกข์อีกแล้วทุกข์เพราะอะไรก็ทุกข์เพราะความอยากาใช่ไถ้าไม่มีความอยากจะกลับบ้านมันก็ไม่ทุกขนะ์ใช่ ก็เวลาไปเที่ยวแม่นอยากจะกลับบ้านเลยเวลาไปเที่ยวไม่อยากกลับบ้านมีมีความสุขเวลาเที่ยวมีความสุขก็ไม่อยากจะกลับบ้านพอเที่ยวแล้วเหนื่อยแล้วเงินหมดแล้วนี้มันอยากจะกลับบ้านนะพอไม่ได้กลับบ้านก็ทุกข์ขึ้นมาอีกนะเห็นไหมเห็นความอยากไหมเห็นความอยากที่มันสร้างความทุกข์ให้กับเราตลอดเวลาไหมไม่เห็นหรอกถ้าเราไม่หันเข้ามาดูที่ใจของเรา การที่เราจะเห็นทุกข์สมุทยัยเห็นนีโรอเห็นมากได้นี้เราต้องมีใจที่หันกลับเข้าข้างในหันกลับเข้ามาที่ใจเอน่นี้ใจเราหันไปที่ข้างนอกหันไปที่รูปเสียงกลิ่นรสปวดทพะคิดเวลาเราคิดเราคิดถึงอะไรเราก็คิดถึงรูปเสียงกลิ่นรสปวดทพะไม่เคยคิดถึงผู้รู้ตัวรู้เลย ผู้รู้คือผู้รู้ก็คือใจแล้วไม่เคยคิดถึงมันเลยนักคิดอยู่ตาลูกเสียงกลิ่นรสอยากจะหาลูกเสียงกลิ่นรสมาเสพกันอยู่เรื่อยๆอยากจะได้ราบยศจัลสริญคิดอยู่กับเรื่องราวเหล่านี้ใจของเราก็เลยหันไปข้างนอกไม่ได้หันกลับมาที่ใจเลยมองไม่เห็นทุกข์สมุทัยนิโรธมาที่มีอยู่ในใจของพวกเราเวลาทุกข์ก็ ไปไปหารูปเสียงกลิ่นรลเพราะใจเราคิดถึงรูปเสียงกลิ่นเลยมันจึงทําให้เราทุกข์ทำให้เราอยากพอคิดถึงขนมก็อยากจะกินขนมก็ต้องไปหาขนมมากินพอได้กินขนมแล้วก็สบายใจเวลาที่ยังไม่ได้กินขนมก็ไม่สบายใจวุ่นวายใจ เราไม่เคยหันเข้ามาข้างในเลยแล้วหันใจเราออกข้างนอกเราเลยไม่เห็นเวลาเกิดความอยากว่ามันทำให้เราเกิดความทุกข์ขึ้นมาพระพุทธเจ้าจึงสอนให้พวกเราหันใจกลับเข้ามาข้างในเหมือนกล้องเปลี่ยนกล้องมีกล้องสองตัวใช่ไหมกล้องหันไปข้างนอกก็ถ่ายรูปข้างนอกต้องหันกลับมาถ่ายหน้าเราบ้างเนี่ยถ่ายเซลฟี่บ้าง กล้องเซลฟี่เนี่ยเวลานั่งสมาธิก็เหมือนกับใช้กล้องเซลฟี่รู้ป่ ะ, ะคือให้กลับเข้ามาดูตัวรู้ตัวเรา เ, เรามองไม่เห็นตัวเราตัวรูเ้เราเห็นแต่คนอื่นใช่ไเวลาเราถ่ายภาพนี่เราหันเราใช้กล้องด้านหลังใช่ไหมกล้องด้านหลังมันก็ถ่ายคนนั้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่ง น, น, งนี้ข้าวของเห็นไมเวลาจะกินก่อนจะกินยังต้องถ่ายรูปไว้เลย เวลาจะถวายของพระเดีย๋ยวนี้ก่อนจะมาเคนของพระ ก, ก็ถ่ายไว้ก่อนนะไม่ไม่ถ่ายคนที่ถวายเนี่ยไปถวายของทำไมถวายก็ถ่ายคนที่ถวายจะใช้เซลฟี่ถ่ายตัวเองเอ้ยกําลังถวายของอยู่นะอันนี้ก็เหมือนกันใจแล้วหันไปข้างนอกหันไปหาลูกเสียงกิ่งลดหันไปหารากยศจันรเสริญ เพราะคิดว่ามันเป็นความสุขเนี่ยพอเวลาเราได้สัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสได้สัมผัสกับราบยศสารเสรนาใจเราฟูใจเรามีความสุขแต่เราไม่มองเวลาที่มันไม่ได้สัมผัสนล้วมันแฟบเราแฟบเป็นยังไงหน้าหงิดหน้า ง, นา ง, งอนั่นแหละเวลาที่มันไม่ได้สัมผัสกับสิ่งที่มันอยากใจก็เลยแฟบ เวลาได้สัมผัสกับสิ่งที่มันอยากมันก็ฟูขึ้นมาใจก็เลยแฟบแฟแ ฟ, ฟูฟูอย่างเงี้ยขึ้นๆลงๆสามมันดีสี่วันร้ายบางวันอยู่ดีๆใจเราก็ร้ายขึ้นมาใช่ไหมเราที่ไม่รู้สึกว่าทําไมไอ้อยู่ดีๆมันมาร้ายขึ้นมาได้ไงเราก็ไม่อยากจะร้ายแต่ทําไมมันร้ายเพราะบังเอิญตื่นขึ้นมาไปเจอแต่ของที่มันขัดใจเราใช่ไหม บางทีตื่นขึ้นมาเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้มันก็ขัดใจเราละบางทีตื่นขึ้นมา เ, อาเจออากาศร้อนมาก่ากีก็เกิดอารมณ์ไม่ดีละตื่นขึ้นมาได้ยินเสียงคนพูดไม่ดีถ้าหน่อยก็ไปแล้ะคนบ่นคนว่าหน่อยเขาไปแล้วะวันนั้นก็เลยกลายเป็นวันวันอารมณ์ไม่ดีไปใจแฟบบางวันตื่นขึ้ น, นมาก็โอ้ยสดใสเบิกบานตื่นขึ้ น, น, นมา เย็นสบายอากาศเย็นสบายอไม่มีใครพูดอะไรให้มากระทบกระเทือนใจมีแต่คนพูดดีๆมีคนคอยรับใช้แเราตื่นขึ้นมาก็เอาอาหารมาตั้งไว้ที่เตียงเลยอย่างนี้วันนั้นตื่นขึ้นมารู้สึกอารมณ์ดีขึ้นมาเพราะได้เสพสัมผัสกับลูกเสียงเกลียดรสตามความอยากลูกเสียงกลียดรสที่ชอบ ก็เลยทำให้เกิดอารมณ์ดีขึ้นมาใจก็ฟูขึ้นมาถ้าบางวันไปสัมผัสกับลูกเสียงกลิ่นรสที่ไม่ถูกใจขึ้นมามันก็แฟบขึ้นมาอารมณ์ก็เสียไปหมดนี่คือใจของเราที่เราปล่อยให้มันเป็นไปตามกำอำ น, นาจของความอยากมันก็เลยทำให้ใจเราขึ้นขึ้นลงลงถ้าเราหันใจกลับเข้ามา ดูใจเองเปลี่ยนกล้องอย่าไปใช้กล้องด้านหลังใช้กล้องด้านหน้าเราก็จะได้เห็นหน้าเราตลอดเวลาใช่ั้ยเหมือนกับเราดูกระจกสองหน้ากล้องเซลฟี่ก็เป็นกระจกดีๆนี่เองเราก็จะเห็นว่าตอนนี้หน้าตาเรายิ้มหรือเปล่าหน้าตาเราเบื่อหรือเปล่าหน้าตาเราคํำหรือเปล่าหน้าตาเราสะอาดหรือเปล่า อันนี้ไม่ต้องมีกระจกแล้วมีมีไอโฟนนี่ก็มันมีกระจกสองหน้าใช่ไหมบางทีอยากจะแต่งหน้าก็ใช้ไอโฟนนี่ก็ได้ใช้กล้องดู <c oughs> นี่เราต้องมาดูหน้าตาของเราคือดูใจของเราวิธีจะดูใจเราก็ต้องใช้กล้องเซลฟี่วิธีที่จะเปิดกล้องเซลฟี่นี่ก็ต้องใช้สติเป็นตัวเปิดใช้พุโทโธพุโทโธพุโทโธ เราพุทโธนี้จะดึงใจที่หันไปข้างนอกให้หันกลับเข้ามาข้างในแต่เราพุทโธพุทโธนี้ใจก็เราจะไปคิดถึงรูปเสียงกลิ่นรสไม่ได้เวลาเราพุทโธพุทโธนี้เท่ากับดึงใจออกจากรูปเสียงกลิ่นรสดึงใจออกจากเรื่องราวต่างๆเพราเราจะไม่สามารถไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆได้ไม่สามารถไปคิดถึง ลูกเสียงเกิื่อนลได้ไม่สามารถไปคิดถึงที่ท่องเที่ยวต่างๆได้ถ้าเราดึงเข้ามาได้เต็มที่ใจก็จะกลับเข้ามาที่ตัวเองใจก็จะตกหลุมตกบ่อเวลาตกหลุมตกบ่อนี่มันก็เหมือนได้กลับเข้ามาที่ตัวเองนะทีนี้ก็จะเห็นตัวเองแล้วเห็นตัวรู้แล้วว่านี่คือตัวเราแล้วตัวเราเวลาที่มันไม่มีความอยากนี่มันแสนจะสบาย เวลาจิตรวมสงบลงนี้ความอยากหยุดทำงานชั่วคราวใจสงบแล้วรู้สึกสบายอกสบายใจแล้วก็ไม่เหงาด้วยอยู่คนเดียวแทนที่จะเหงากับไม่เหงากับมีความสุข mm hmm. เนี่ยพอเรามาถึงจุดนี้แล้วเราก็จะเห็น mm hmm. เห็นธรรมตอนที่จิตสงบนี้ก็เรียกว่านิโรธ คือความทุกข์หยุดไปชั่วคราวเพราะความอยากหยุดทำงานไม่ได้ทำงานตอนที่จิตสงบนี้ไม่มีความอยากไปเที่ยวไม่มีความอยากไปกินไปดื่มไปดูไปฟังอะไรไม่มีความอยากได้เงินได้ทองไม่มีความอยากได้ยศถาบรรดาศักดิ์ไม่มีความอยากให้ใครเขายกย่องสรรเสริญเยนยอใจจะเป็นอุเบกขาตอนนั้น สบายไม่รักไม่ชังไม่กลัวไม่หลงอันนี้แหละเป็นการเห็นธรรมละเห็นนิโรธเวลาใจสงบนี้เห็นนิโรธชั่วข้าวเห็นความทุกข์ดับไปความทุกข์ต่างๆเช่นความเครียดความไม่สบายใจความหมุดหยิดความว้าเหวอะไรนีหายไปหมดเนี่ยไม่เชื่อลองทำดูเวลาไหนที่เราไม่สบายใจแล้วเราลองนั่งพุทธโธพุทธโธดู ถ้าเราสามารถดึงใจให้เข้าไปข้างในได้ให้มันตกหลุมตกบ่อได้เนะี่ยความว้าเหวจะหายไปความเครียดจะหายไปความไม่สบายใจจะหายไปความสุขจะโผล่ขึ้นมาแทนที่เราก็จะเห็นเห็นอริยสัจแลเห็นนิโรธแะแต่เรายังไม่รู้ว่ามันเกิดจากอะไรเราต้องมาศึกษาอีกทีเราก็จะรู้ว่าอ๋อเกิดจากพุโทโธพุโทโธ พุทโธก็คือการสร้างสตินี่เองการหยุดความคิดการสร้างเบรถ้าเรามีพฤกมีพุทโธก็เหมือนหลับเรามีเบรคที่จะหยุดความคิดได้พอเรามีเบรคความคิดก็หยุดไปพอความคิดหยุดไปตันหาความอยากก็หยุดตามความคิดไปเพราะตันหาต้องใช้ความคิดเป็นตัวนำต้องคิดถึงกระเป๋าก่อนถึงอยากจะซื้อกระเป๋าต้องคิดถึงรองเท้าก่อน มันอยากจะซื้อรองเท้าถ้าไม่ได้คิดถึงรองเท้าคิดถึงคิดแต่พุโทโธพุโทโธมันก็ไม่มีความอยากจะซื้อรองเท้าซื้อกระเป๋าในเวลาที่เราเครียดกับการที่อยากจะทําอะไรแล้วไม่ได้ทําก็หยุดบันเสียด้วยการบริกรรมพุโทโธพุโทโธพุโทโธไปเป็นการใช้สติหยุดสติก็คือมรร ต่อไปเราก็จะรู้ว่า อ, อ๋อมรักก็คือสติมรักก็คือปัญญาปัญญาก็จะสอนให้เราเห็นว่าสิ่งที่เราอยากได้ให้มันวิเศษขนาดไหนมันจะให้ความสุขเรากับขนาดไหนมันก็ไม่แน่นอนเดี๋ยวมันก็หายไปได้เดี๋ยวมันก็หมดไปได้เดวลามันหมดไปความสุขที่เราได้จากมันมันก็หายไปหมดความทุกข์ก็กลับมาใหม่อันนี้เราก็จะเห็นด้วยปัญญา มันก็จะทำให้เราหยุดความอยากได้เวลาอยากได้กระเป๋าไม่เอาดีกว่าได้มาแล้วเดี๋ยวเกิดหายไปก็เสียใจได้กระเป๋ามาใช้ได้ไม่กี่วันถูกเขาขาโมยไปกระเป๋าใบละแสนอย่างเงี้ยเสียใจไหมไเวลาหายไปเนี้ยใช่ไหมต้องคิดอย่างนี้นี่เรียกว่าปัญญาให้คิดว่าของที่เราอยากได้มันไม่เที่ยงแท้แน่นอน มันมีโอกาสจากเราไปได้เผลอบางทีเราเผลอวางไว้ก็ถูกเขาฉกชิงวิ่งราวไปก็ได้คิดอย่างนี้แล้วเราจะได้หยุดความอยากได้นี่คือมรรคมีสองตัวสติกับปัญญาถ้าสติก็หยุดความอยากได้ชั่วคราวเวลาที่เราพูดโทสติก็หายไปพอเราเผลอไม่พูดโทเดี๋ยวมันก็คิดถึงของอยากได้ขึ้นมา แต่ถ้าใช้ปัญญามันจะไม่พอพอมันเห็นว่าเป็นทุกข์ต่อไปมันก็จะไม่คิดอยากจะได้พรคิดว่าถ้าได้มาแล้วทุกข์เอามาทำไมตอนต้นเราคิดว่าได้มาแล้วสุขอย่างเดียวใช่แต่เราไม่คิดว่ามันมีทุกข์ตามมาด้วยเวลาที่มันหมดไปเวลาที่มันจากออกไปเวลาที่มันเสียไปความสุขก็กลายเป็นความทุกข์ขึ้นมา ซื้อล้อมาใหม่ๆเฮ้ดีใจเดี๋ยวขับสองวันเสียขึ้นมาปวดหัวแล้วแล้วยิ่งถ้าส่งไปอู่ซ่อมซ่อมเท่าไหร่ก็ไม่หายสักทีซ่อมได้สองวันกลับมาเสียอีกแล้วซ่อมแล้วเสียอีกทีนี้ก็อยากจะคืนเขาแล้วเลยไม่อยากได้คันนี้นะ้วรู้อย่างนี้ไม่ซื้อดีกว่าใช่ไหมแต่มันสายเสียแล้วไปซื้อมาสักก่อนแต่ถ้าเรามีปัญญาเราก็ไม่ซื้อเช่ารถ ด, ดีกว่าขึ้นแท็กซี่ดีกว่า และไม่ต้องมาห่วงมันไม่ต้องมาซ่อมไม่ต้องมาอะไรกับมันอันนี้คือปัญญาถ้ารู้แล้วว่ามันเป็นทุกข์ก็จะไม่เอามันอีกเด็ดขาดจะคิดถึงมันกี่ร้อยครั้งก็ไม่เอาเด็ดขาดเพราะคิดทีไรก็รู้ว่ามันทุกทุกทีเหมือนกับทุกข์กับแฟนคนนี้แล้วต่อไปทุกอีกร้อยคิดถึงเก้าอีกร้อยครั้งก็ไม่อยากได้เขามาเป็นแฟนนะถ้าลองเจอ ถ้าลองเจอเขาให้ความทุกข์เราสักครั้งนี่นเข็ตไหมต่อไปไม่คิดถึงเขาเลยใช่ไหมถึงแม้จะคิดก็ไม่เอานอกจากเป็นคนขี้ลืมบางทีบางคนขี้ลืมเดี๋ยวเขากลับมาง้อใหม่ก็ลืมอนะนี่คือมรรคเราจะเห็นขึ้นมามันอยู่ในใจเราเวลาเราไม่สบายใจเราจะเห็นเลยว่า อ, อ๋อเรากำลังอยาก เราอยู่บ้านอยู่คนเดียวเหงาอยากจะออกนอกบ้านนี่เราก็รู้แล้วเนี่ยเกิดความอยากออกนอกบ้านนะ ว, วิธีที่จะแก้ความเหงาความเครียดนี้ก็คือให้หยุดความอยากให้ใช้พุทธโธพุทธโธใช้สติหรือใช้ปัญญาบอกว่าออกไปเที่ยวเกห้อนก็เหมือนกันเดี๋ยวกลับมาบ้านก็เหงาเหมือนเดิมอยู่ดีอย่ากออกไปเลยดีกว่าตัดความอยากไปเลยพอไม่อยากออกไปปั๊บความเหงาก็หายไป แล้วก็จะอยู่บ้านไปได้ตลอดไม่เดือดร้อนไม่ต้องออกไปเที่ยวแต่ออกไปก็จำเป็นจริงๆมีเหตุมีผลบังคับให้ไปแต่ไม่ได้ไปด้วยความอยากแล้วเราจะอยู่บ้านอย่างสบายใจจะไม่มีความรู้สึกเหงาไม่รู้สึกว่าเหวถ้าเราหยุดความอยากออกไปข้างนอกบ้านให้ได้ตอนต้นก็หยุดด้วยสติก่อนก็ได้ถ้าไม่มีปัญญาไม่มีกาลังก็ใช้พุโทโธพุโทโธ อย่าไปคิดถึงความอยากที่อยากออกไปเที่ยวนั่งหลับตาพุทโธพุทโธพุทโธไปเดี๋ยวจิตตกหลุมตกบ่อปั๊บมันก็หายไปหมดเลยลืมไปหมดเลยความว้าเหวความเศร้าส้อยงอยเหงาก็หายไปหมดเลยเนื้อแต่ความเบาอกเบาใจสบายอกสบายใจสุขเนสาสุขเนาอยู่ภายในใจเนี่ยพอเราทํานี้ได้แล้วต่อไปเราจะ สู้กับความอยากได้เวลาจะเกิดความอยากก็สู้มันดีกว่าเพราะเวลาชนะมันแล้วมันเหมือนยกภูเขาออกจากโกแล้วมันจะไม่ต้องไปทำอะไรให้เหน็ดเหนื่อยไม่ต้องไปเที่ยวให้เหน็ดเหนื่อยกลับมาบ้านเงินก็หมดแล้วก็เครียดกับการต้องไปหาเงินอีกเงิเนไม่พอใชแล้ะแต่ถ้าไม่ออกไปเงินก็ยังอยู่ในกระเป๋า ไม่ต้องเครียดกับการไปหาเงินสบายจะตายไปนี่แหละวิธีที่แก้วความทุกข์ต่างๆ ต, ต้องแก้ด้วยการฝืนความอยากไม่ทำตามความอยากและก็มีวิธีสองวิธีวิธีชั่วคราววิธีที่ง่ายก็คือใช้สติพุทโธพุทโธไปนั่งสมาธิไปพอใจตกลุมตกบ่อใจก็สบายความเครียดความเหงาความว้าเหว ความหงุดหิดลำคาญใจก็จะหายไปหมหรือแต่ความสุขความสบายใจแล้วขั้นที่สองต่อไปถ้าอยากก็ใช้ปัญญาสู้กับมันเลยดูว่าถ้าทำตามความอยากแล้วจะเกิดอะไรขึ้นก็จะไปเที่ยวก็สนุกพอกลับมาบ้านก็เหงาเหมือนเดิมแล้วก็เครียดมากขึ้นเพราะเงินน้อยลงเงินเริ่มไม่พอใช้นะ ก็ต้องไปเครียดกับการทำมาหากินไปทำงานทำการหาเงินหาทองอีกแล้วพอมีเงินมีทองก็อยากจะไปใช้เงินอีกอันนี้แล้วผลเป็นยังไงมันก็เป็นลูกโซ่ไปเรื่อยๆใช้เงินหมดก็ต้องไปหาเงินใหม่พอมีเงินความอยากใช้เงินมันก็โผล่ใหม่มันก็ต่อกันไปอย่างนี้แต่ถ้าเราตัดลูกโซ่เสตัดไอ้ตัวความอยากเสีอเงินก็ไม่หมดน ก็ไม่ต้องไปหาเงินใหม่ก็ไม่ต้องเครียดอยู่บ้านเฉยๆก็สบายมีความสุขต้องใช้ปัญญาพิจารณาเปรียบเทียบระหว่างการทำตามความอยากกับการไม่ทำตามความอยากอันไหนมันจะดีกว่ากันถ้าถ้าฝความอยากได้หมดต่อไปก็ไม่ต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายไม่ต้องมาดินน้นรนเหมือนที่เราต้องดิ้นรนกันทุกวันนี้ดิ้นรนเลี้ยงปากเลี้ยงท้องแล้วยังไม่พอ ยังต้องมาเลี้ยงกิเลสตัณหาความอยากอีกแล้วดีไมด่ดีก็ไปเลี้ยงลูกเลี้ยงเต้าอีกเนยพราะผลพลอยได้จากการไปทําตามความอยากเนี่พออยากมีแฟนเดี๋ยวก็มีลูกตามมาใช่ไหมแล้วเลี้ยงลูกแต่ละคนมันดีไหยเหนื่อยไหมแล้วพอมันโตมันก็ทิ้งเราเอีกอลยหรือถ้ามันอยู่กับเรามันก็มาด่าเรามาว่าเราเอีกเงีย พอเราแก่มันก็สอนเราสั่งเราออกเนี่ยเราดิ้นหาความทุกข์ถ้าเราทำตามความอยากถ้าเราไม่ทำตามความอยากเราก็จะเป็นเหมือนพระพุทธเจ้าเราก็จะไปอยู่ในป่าในเขาได้สบายอยู่คนเดียวเมือกับคูาจารย์ทั้งหลายท่านไปอยู่ในป่าในเขากันอยู่คนเดียวสบายเดี๋ยวก็มีคนตามมาขอ ขอความช่วยเหลือเยอะแยะไปหมดขอฟังเทศฟังธรรมกันก็ต้องมเมตตาสอนเข้าไปกันจริงไม่สอนได้ดีสบายกว่าไม่เหนื่อยปากเปียกปากฉีกแต่ทำไงได้ต้องต้องกินข้าวของเขาต้องใช้ดีเขาเช้าเขาก็ใส่บาตรให้เราบาตรเขาก็มาขอธรรมะจากเรา ก็ต้องแลกเปลี่ยนกันพึ่งพากันเราพึ่งญาติโยมด้วยปัจจัยสี่ญาติโยมก็พึ่งพระด้วยธรรมะธรรมโมก็เป็นการพึ่งพากันที่ที่ถูกต้องตามหลักธรรมเป็นธรรมะจัดสรรไปคนมานี่ก็ไม่ได้ถูกบังคับให้มาคนใส่บาทก็ไม่ได้ถูกบังคับให้ใส่บาตรคนก็อยากจะใส่ก็ใส่ก็ไม่อยากจะใส่ก็ไ ม, ไม่ไม่มีใครว่าอะไร คนจะมาฟังเทมฟังธรรมก็มาฟังคนไม่มาฟังธรรมก็ไม่มีใครว่าเลยเป็นเรื่องของธรรมะจัดสรรนวลๆนี่วิธีของธรรมะควรจะเป็นอย่างนี้ไม่ควรที่จะเขี้ยวเข็นบังคับกันเราจึงไม่ค่อยชอบไม่คนรจัดคณะมามาฟังธรรมกันบางทีบอกอย่าพากลมาหกสิบคนว่าอย่าพามาดีกว่าถ้าก็จะมาเข้ามาเองเถอะอย่าต้อนเข้ามาเลยเขาไม่ใช่เป็นวัวเป็นควาย เขาเป็นคนเขามีความคิดของเขาปล่อยให้เขาเป็นไปตามความคิดของเขาดีกว่าเขาอยากจะมาก็ปล่อยเข้ามาถ้าก็ไม่อยากจะมาอย่าไปเคี่ยวเข็ บ, บังคับมาแล้วมันไม่ได้รสชาคนที่ถูกเคี่ยวเข็นบังคับมาเวลามานั่งฟังธรรมก็ไม่ฟังกันนั่งคุยกันอีกมาทําลายบรรยากาศพอไปเตือนเขาเขาก็โกรธอีกมันมีแต่เสียคอยมีมาอยู่เรื่อยๆพวกที่เขาถูกต้อนมากันเขาก็ไม่รู้ว่ามาทําไม ตั้งแต่เจ้านายสั่งให้มาก็ต้องมาใช่ไหมเจ้านายที่ว่าลูกน้องฟังทำแล้วจะได้ทํางานดีขึ้นจะได้โกงกันน้อยหน่อยเอจะได้ขยันกันมากขึ้นบริษัทจะได้กําไรมากขึ้นก็เขาก็เลยจะต้อนคนงานมาคนงานมันก็ไม่รู้ว่ามาให้มาทําอะไรพอให้มันนั่งเฉยๆฟังทำฟังมันก็ฟังไม่รู้เรื่องมันก็เลยอดคิดอดคุยกันไม่ได้หรืออดกดที่โทรศัพท์กันไม่ได้มันก็นั่งกดโทรศัพท์กันไป คนพูดก็พูดไปคนฟังมันก็กดๆไปนม่มันจะได้ประโยชน์อะไรถึงเราถึงบอกว่าใครถ้าจะมานัด บ, บอกว่าจะพาคณะนี้คณะนี้มาเราบอกว่าเราเราไม่ไม่ยินดีนะเราบ อ, าอยากจะให้มาด้วยด้วยความตั้งใจของแต่ละคนดีกว่าถ้ายักษ์เขาอยากจะมาให้เขามาเองถ้าอยากจะพาไปเป็นกลุ่มนี้ไปที่อื่นดีกว่ะไปที่เขา ยินดีต้อนรับมีอยู่เยอะที่เขายินดีที่จะรับคนไปศึกษาเป็นกลุ่มเป็นร้อยเป็นพัน เ, นเขาชอบกันแต่ที่นี่ชอบแาธรรมะจัดสรรค์มากันเองนี่เกิดที่มาที่ายของเรื่องคําว่าธรรมะจัดสรรค์ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลา อย่าอนุโมทนาให้ผ่อนอยาทาวาริวะหาปุกลาปะริปุเรนติสาคหลังเอวเมวะอิตโตทินังเปตานังอุปกะ ป, ป, กปติอิชิตังปัติตังตุมหังคิดเปเมวะสมิจจตุสัพเพปุเรนตุสังกะปาจันโทปัะระโสยาทานาณิชโชติ สัลาโสยธาสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพโลกวินสศตุมาเตภวะตวันตรายโสุขีทีขายุโกภะอภิวาทานสีลิสะนิจังวุธาปะจายโนจตารโรธรรมวะทานติอายุวันโอสุขัง อาลังมีหนังสือซีดีแจกนะอยากได้ก็หยิบไปเอาไปอ่านนะอยวไปบูช า, า, ไ, าไม่ได้ไม่ได้แจกไม่ได้ไม่ได้ไม่ต้องการให้แจกคนเขาที่เราไปแจกเราก็ไม่รู้ว่าเขาอยากจะอ่านหรือไม่อ่านเขาอยากได้เขามาเ อ, าเอง อาไปทำพราะตัวเราดีกว่านอ่แล้วถ้าคนอื่นก็อยากจะได้กจะให้เขาก็ได้แต่อยากจะให้เขาอยากก่อนอถ้าก็ไม่อยากก็อย่าไปให้เขาวันนี้เข้ามาเท่าไหร่แล้วทางเฟซบุ๊กสูงสุดเท่าไหร่สามร้ <3 11. S 1> อ, อยจ็สิบเอ็ดค่ะรีูห้าสิบแปดห้าสิบแปดมีคาถามเข้ามาแล้วยังมีค่ะถามดู คำถามทางอีเมล์จากคุณวชิรพันธ์แมนค่ะหลังจากตกหลุ่มแล้วต้องทําอย่างไรต่อไปครับ อ, อ๋อไม่ต้องถามเราถ้ามันตกหลุมแล้วมันรู้เองตกหลุมแล้วมันก็สบายมันจะไปไหนนะ่ะก็เราสบายเราอยากจะไปไหนหรือเปล่าก็อยากจะให้มันสบายไปนานๆ น, นั่นเองก็ก็ประทับประคองด้วยสติไปพอมันตกหลุมแล้วมันก็สบาย ส่นใหญ่มันจะตกหลุมแล้วมันจะเด้งออกมาทันทีใหม่ๆมันจะอยู่ได้ไม่นานเขาเรียกว่าคณิกะสมาธิเพราะกิเลสมันยังมีกำลังมากพอเข้าไปปั๊กกิเลสมันก็ดันกลับมาใหม่ถ้าตกหลุมแล้วมันใจก็อยากจะให้มันอยู่นานๆแต่ใหม่ๆมันจะอยู่ได้ไม่นานเพราะสติเรายังมีกาลังไม่มากพอมากพอที่จะดันเข้าไปพอเข้าไปปั๊กกิเลสมันก็ดันออกมาต่อ กิเลสมันชอบให้เราไปหารูปเสียงกลิ่นรสเนี่ยพุทโธนี่จะดึงมันออกมามันก็เหมือนชักกระเยอะกันตอนที่มันตกลุมก็แสดงว่าสติมีกําลังมากกว่ากิเลสยอมแพ้ปล่อยไปชั่วข่าวพอปล่อยปั้มมันก็เลยตกลุมเข้าไปพอตกลุมปั้มกิเลสมันก็ดังดันกลับทันทีมันก็เลยเด้งออกมาเวลาตกลุมข้างหน้านี่มันจะมันจะอยู่ไม่นานมันจะ มันจะตื่นเต้นแล้วมันก็จะอะไรแล้วเดี๋ยวมันก็ออกมาแต่ครั้งต่อไปเรารู้แล้วที่พอมันตกลงแล้วเราก็ไม่ตื่นเต้นแล้วเราก็เฉยๆใม้มีสติเฉยๆดูไปหยุดหยุดความอยากแล้วต่อไปมันก็จะอยู่ได้นานๆไปเรื่อยๆต่อไปก็จะนั่งได้ทีละครึ่งชั่วโมงทีละชั่วโมงเวลาสงบปั๊บแล้วมันจะนั่งได้สบายไม่รู้สึกตัว เวลาก็ผ่านไปอย่างรวดเร็วออกจากสมาธิมาดูนาฬิกาโอ้ผ่านไปต้องชั่วโมงอะ่ะแต่ไม่หลับนะรู้สึกตัวตลอดเวลารู้สึกตัวเหมือนกับที่เราคุยกันอย่างเงี้ยพอเราหยุดคุยเราก็ยังรู้สึกตัวอยู่ใช่ไหมสมาธิก็เหมือนกันเวลาเราพูดโทอพูดโธอก็เหมือนเรานั่งคุยกันพอมันตกหลุมตก บ, อบ่อปั๊บเราก็เหมือนหยุดคุยกันหยุดคุยกันเราก็ยังมีสติเหมือนเราก็รู้ตัวเหมือนกัน เวลาที่มันตกหลุมตกบอ่อเราก็รู้สึกตัวอยู่ตลอดเวลาเหมือนกันไม่หลับคนที่นั่งแล้วไม่รู้สึกอะไรเลยเนี่ยไม่รู้ว่าตกหลุมตกบอ่อขึ้นเขาลงห้วยหรือเปล่าเนี่ยจะดงว่าหลับมารู้สึกตัวทีก็พอดีเงยเงยคอขึ้นมาเงายหน้าขึ้นมาคำถามจากผู้ประสงออกนามค่ะเนื่องจากตนเองเพิ่งมาทำงานอยู่ไกลบ้านอยู่ต่างประเทศ ตั้งใจมาทํางานเก็บเงินงานดีเงิน ด, นดีแต่ใจรู้สึกหดหู่คิดถึงบ้านมากเจ้าค่ะอยากกลับไปอยู่กับครอบครัวอีกใจก็อยากจะอดทนต่อสู้เพื่อมีเงินเก็บสักก้อนแต่เคยลาออกจากที่ทํางานกล่าวมาแล้วหลังจากทําได้6เดือนเนื่องจากเ ห, เหตุผลเดียวกันคือคิดถึงบ้านหาะตัดสินใจออกอีกเป็นการอ่อนแอนไม่ถือหลักตามความเพียรและขันติ และขันติหรือเปล่าเจ้าคะควรจะอดทนสู้ต่อหรือวางใจเช่นใดดีทุกวันนี้ใจหดหู่ก็จะเพียงแค่ตามรู้ไม่ไปจมปากเจ้าคะ่ะควรหยุดความอยากกลับบ้านถ้าหยุดความอยากกลับบ้านนดาก็ไ ม, ไม่ไม่กลับเปลี่ยนใจที่ว่าอยู่ที่นี่ก็ได้อ่าอะไรทำที่นี่ให้มันมีความสุขแล้วจะได้ไม่อยากจะกลับบ้าน ที่มันอยากจะกลับบ้านเพราะที่บ้านมันมีความสุขมากกว่าที่นี่มันเราอยากจะกลับบ้านแต่ถ้าเราทําที่นี่มันมีความสุขได้มากกว่ามันก็ไม่อยากจะกลับบ้านวิธีหนึ่งก็คือนั่งสมาธิทําใจให้สงบถ้าทําใจให้สงบแล้วมันก็จะเกิดความสุขขึ้นมามันก็จะไม่อยากจะกลับบ้านแล้วอีกวิธีหนึ่งก็หาแฟนพอได้แฟนแล้วมันมีความสุขมันก็ไม่อยากจะกลับบ้าน แต่มันเดี๋ยวพอแฟนทิ้งก็ทุกข์อีกก็อยากจะกลับบ้านนั่นเป็นวิธีแก้ที่ไม่ถูกอแต่เป็นวิธีที่คนส่วนใหญ่ก็แก้กันยังไงเวลาเ้าเหงาอยู่ที่ไหนเ้าเหงาเขาก็หาหาแฟนหาเพื่อนกันไปตอนก็มีแฟนมีเพื่อนเขาก็หายเหงาเขาก็ไม่อยากจะกลับบ้านคําถามจากคุณอุทยัยเมื่อคืนหนูนั่งสมาธิแล้วจิตหมุนติ้วๆรู้สึกเบาสบายตัวมาก เหมือนมันเป็นตัวชาแต่เหมือนมีแรงดึงดูดอะไรสักอย่างบอกไม่ถูกแต่มีสติรู้ตัวตลอดเวลาแบบนี้เรียกจิตรวมไหมคะไม่รวมแบบต้องตกหลุมตกบอ่อถึงจะรวมถ้าหมุนติ้วติ้วเนี่ยไม่รวมมันต้องนิ่งสงบเบาสบายตัวไม่ชงไม่ชาอะไนัหายหมดบางทีตัวนี่หายไปเลยร่านกายหายไปเลยว่ามาคำถามจากคุณมะลิค่ะ เวลาที่เราเห็นภาพเด็กผอมหนังหุ้มกระดูดเช่นเด็กในเอธิโอเปียเราควรทําใจอย่างไรคะนอกจากรู้สึกสงสารแล้วเราควรคิดว่าเป็นกรรมของเขาหรือคะถ้าเราช่วยได้ก็ช่วยเขาเสร็จส่งเงินไปให้กับมูลน UN ิยูเนสเซสหรือที่ไหนที่เขาดูแลเรื่องเด็กแล้วก็เป็นการทําบุญไปถ้าเรามีเงินพอที่จะแบ่งได้ก็แบ่งไปย่านี้ก็มีมูลนิ ity ที่ให้เรารับอุปการะเด็กพวกนี้ โดยส่งเงินให้เขาเป็นเดือนไปก็ได้เขาก็เอาเงินนี้ไปซื้ออาหารให้เด็กพวกนี้กินก่างถ้าเราทำได้ก็ทำไปถ้าเราทำไม่ได้เราก็ต้องใช้อุเบกขาเป็นกรรมของเขาสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตนจะทำกรรมอันใดไห้ดีหรือชั่วจะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นตอนนี้เขาคงจะมารับผลของกรรมชั่วของเขาเขาก็เลยต้องมาอดอยากขาดแคลน ถ้าเราแผ่เมตตาได้ก็แผ่เนี่ยวิธีแผ่เมตตาไม่ใช่แผ่ด้วยการสวดสัพเพสัตตาแล้วมันจะหายหิวไหมเนี่ยพวกที่หิวข้าวเนี่ยเวลาเราแผ่เมตตาพวกนี้จะหายไหมถ้าอยากจะให้เขาหายหิวก็ส่งข้าวไปให้ก็กินเนี่ยส่งเงินไปให้กับมูลนิธิที่จะซื้อข้าวไปเลี้ยงเขานี่ยคือวิธีแผ่เมตตาพวกเราชาวพุทธนี่ชอบแผ่เมตตาแบบเห็นกับตัวแบบไม่ยอมเสียงเงินเสียทอง เข้าใจไหมคือชอบสวดกันพ่านั่งสมาธิเสร็จไหว้พระส่วนมนต์เสร็จก็แผ่เมตตากันอันนี้มันไม่ได้แผ่ฮะมันแผ่ต้องกดมือถือเลยเนี่ยส่งไปบัญชีไหนเะท่าไหร่กดเข้าไปเลยอย่างนั้นเรียกแผ่เมตตาคือให้มันเกิดประโยชน์สุขแก่ผู้อื่นมันถึงจะเรียกว่าเป็นการแผ่เมตตาถ้าไม่เกิดประโยชน์สุขมันยังไม่ได้แผ่ไม่าด้านะเป็นเพียงแต่คิดเพียงแต่ท่องไปเท่านั้นเอง ต่แผ่เมตตามันต้องมีผู้รับความสุขที่เราส่งไปให้กับเขางั้นในกรณีถ้าเราแผ่ได้ก็แผ่ถ้าเขาถ้าเราแผ่ไม่ได้หรือเขาไม่ยินดีรับเราก็ต้องใช้อุบเบกขาแทนส่งไปแล้วก็ส่งกลับมาคืนว่าไม่เอาไม่ต้องการของของคุณนี้เราก็อย่าไปเสียใจอย่าไปน้อยใจเราก็ทำใจเป็นอุบเบกขาไปว่าเป็นกรรมของเขาเมื่อเขาไม่ต้องการที่จะรับความช่วยเหลือของเราก็ เรื่องของเขาแต่เราอย่าไปโกรธไปเปียดเขาคำถามจากคุณแมวปกติหนูจะประพฤติตนให้มีศีลคุมใจอยู่เสมอไม่ทำผิดศีลมีสติตามรู้ตัวบ้างดุดบ้างแต่เวลาที่หลับแล้วฝันว่าทำผิดศีลแสดงว่าจิตลึกๆของเรายังมีความเลวร้วายอยู่ใช่ไหมคะที่ถูกกดไว้นับในยามตื่น แต่จะแรงออกมาตอนหลับรู้สึกไม่สบายใจค่ะก็พยายามรักษาศินไปเรื่อยๆแล้วต่อไปอความคิดที่ไม่ดีมันก็จะหายไปเพราะเราจะมีความคิดที่ดีมาแทนที่คิดรักษาศินไปเรื่อยๆต่อไปเราก็จะฝันว่าเรารักษาศินเราจะไม่ได้ฝันว่าเราจะไปทําผิดศิน คำถามจากคุณดวงเงินค่ะถ้าถ้าจะปฏิบัติมรรคแปดต้องเริ่มที่ตรงไหนเจ้าคะปฏิบัติอย่างไรแล้วมีอะไรเป็นที่สังเกตว่ามรรคเดินแล้ว อ, อ๋อมันก็ทําไปตา ม, มาวาละเช่นศีลเราก็รักษาไปสัมมาคัมมันโตสัมมาวาจาสัมมาชีโรเราก็รักษาไปรักษาศีลห้าไปมีอาชีพที่สุดจริต อาชีพที่ไม่สร้างความเดือดร้อนไม่ไปเบียดเบียนผู้อื่นก็เรียกว่าเราก็มีศีลสมาธิสติเราก็ฝึกไปเรื่อยตั้งแต่ตื่นข้นมาลืมตาเราก็พุโทโธพุโทโธไปเรียกว่ามีสติพอมีเวลาว่างเราก็นั่งหลับตาพุโทโธพุโทโธต่อมันก็จะเป็นสมาธิไปเวลาไม่ได้อยู่ในสมาธิถ้าจะใช้ความคิดก็คิดไปในทางอนิจจ์ทุกขังอนัตตา ก็เรียกว่ามีสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปคิดว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราของเราร่างกายไม่เที่ยงร่างกายกับนัราต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายอย่าไปอยากแก่ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเพราะจะทําให้เราทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายเห็นไหมความอยากเห็นไหมอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายก็ทําให้เราทุกข์อีกละอยากไปเที่ยวก็ทุกข์นี่พอมีอยากปั้มมันทุกข์ขึ้นมาทันที เรนต้องไม่อยากต้องยอมรับความจริงว่าร่างกายต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแล้วเราห้ามมันไม่ได้เพราะมันไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเรามันเป็นมันเป็นเหมือนร่างกายของคนอื่นเราไปห้ามเขาแก่ร่างกายร่างกายเราไปห้ามเขาไม่ให้แก่ไม่ให้เจ็บไม่ให้ตายได้ปะเราก็ไม่ไปห้ามแล้วเราก็ปล่อยเขาแก่ถ้ามันร่างกายเราเราชอบไปห้ามช้าไปอยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายมันก็เหมือนกันมัร่างกายที่ เราที่เป็นของเรามันก็ไม่ใช่เป็นของเราเหมือนกันนี่คือปัญญาเรียกว่าสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัโปะเนีก่าาก็มรรคแปดก็ไปอย่างนี้ไปตามเหตุการ์คำถามจากคุณกูรหลักธรรมที่ทำให้บรรลุพระโสดาบันคือธรรมะข้อใดคะก็เห็นว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราของเราเห็นว่าร่างกายไม่เที่ยง เห็นว่าเวทนาคือความเจ็บความทุกข์ทางร่างกายนี้ไม่ใช่ของเราเราบังคับไม่ได้เราต้องปล่อยปล่อยให้มันเจ็บไปปล่อยให้มันตายไปถ้าเราปล่อยได้เราก็จะบรรลุเป็นโสดาบันไดถ้าเราไม่กลัวความเจ็บเราไม่กลัวความตายเพราะเราเห็นว่าความกลัวนี่เกิดจากความอยากของเราอยากอยากไม่เจ็บอยากไม่ตายก็เลยทาให้เรากลัวความเจ็บกลัวความตายกัน แต่เรามองความจริงแล้วก็เห็นว่ามันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเราห้ามมันไม่ได้เราต้องเจอมันแน่ๆวิธีที่จะเจอมันอย่างที่เราไม่ต้องทุกข์กับมันก็คือเราต้องไม่อยากไปให้มันไม่เจ็บไม่อยากไปให้มันไม่ตายคือปล่อยให้มันเจ็บไปปล่อยให้มันตายไปถ้าเราปล่อยได้เราก็จะบรรลุเป็นโสดาบันไดคำถามจากคุณพัชรักค่ะ พ่อแม่ตายายที่เลี้ยงหนูมาเสียหมดแล้วตอนนี้หนูทำบุญทุกอาทิตย์ถาวายอานถาวายอาหารพระทำบุญโรงทานทุกเดือนร่วมสร้างพระร่วมสร้างถนนร่วมสร้างเจดีย์แล้วขวดน้ำให้ท่านอยากทราบว่าท่านจะได้รับไหมคะจะได้รับไหมคะมาถามเราทไมก็เป็น <c oughs> เป็นปู่ย่าตายายพ่อแม่ของเรา เราใกล้ชิดกับเขาใกล้ชิดกับเขามากกว่าใกล้ชิดกับเราเราจะไปรู้ได้ไงว่าเขารับหรือไม่รับ mm hmm. เราก็พูดตามหลักธรรมท่านั้นว่าคนที่ตายไปแล้วคนที่จะมารับส่วนบุญนี่เป็นพวกที่ไม่มีบุญ mm hmm. คือพวกเปรต mm hmm. ขณะที่มีชีวิตอยู่ไม่ชอบทําบุญ mm hmm. ชอบเอาเงินไปเที่ยวชอบซื้อกระเป๋าซื้อรองเท้า mm hmm. เวลาจะทําบุญก็เสียดายเงินแต่เวลาซื้อกระเป๋าซื้อรองเท้านี่ไม่เสียดาย mm hmm. พอตายไปก็เลยไม่มีบุญติดตัวไปก็เลยต้องมาขอขอส่วนบุญพวกนี้เขาเรียกว่าเป็นขอทานทางจิตวิญญาณถ้าพ่อแม่ปู่ย่าตายายเป็นแบบนี้เขาก็คงจะมาเลาะเขาคงจะได้รับแต่ถ้าเขาเป็นคนที่ชอบทําบุญในขณะที่เขามีชีวิตอยู่เขาตายไปเขาก็ไปเป็นเศรษฐีบุญไปเป็นเทวดาเขาก็ไม่ต้องมารอรับส่วนบุญนี้เพราะบุญที่เราส่งไปนี้เป็นเหมือนกันที่เราให้ขอทาน เพียงพอจะซื้อข้าวกินไปวันละมื้อเท่านั้นเองแต่เขามีบุญมีบุญไปอยู่โรงแรมห้าดาวนี้เขาทำไมจต้องมากัางวลกับเงินที่เราส่งไปถ้าเขารู้เขาก็จะเขาก็จะอนุโมทนาขอบใจว่าเออยังคิดถึงเขาอยู่ยังเป็นห่วงเป็นใ ย, ยเขาอยู่งั้นเราไม่ต้องไปสนใจว่าเขารับหรือไม่รับเนี่ยหน้าที่ของเราทําไปส่งไปเราได้กําไรสองต่อต่อแรกก็คือ พ่อแม่ปู่ย่าตายายถ้าเขารอรับอยู่เขาก็จะได้รับตอที่สองก็คือเราได้ทำบุญเราได้เป็นเศรษฐีบุญเวลาเราตายไปเราจะได้ไปเป็นเทวดากันไม่ต้องมาเป็นขอทานไม่ต้องมาเป็นเปรตกันยันไม่ต้องกังวลถึงผู้รับขอให้กังวลถึงผู้ให้ดีกว่าว่าต่อไปผู้ให้จะเป็นเปรตแล้วจะไปเป็นเทวดากันคุณเชลันเข้ามาแล้วค่ะอ๋อเชลาน how are you ลองถามโนซ อาจารย์ hope you are well. Today I book the 5th August to 2 6 August, and thank you for allowing me to come there. Okay, you're welcome. จ้งที่จองตั๋วจะมาปฏิบัติธรรมที่นี่แะอยู่ที่ประเทศศรีลังกา Okay, see you on the 6th of August. เห็นไหมเขาอยู่ไกลขนาดไหนก็ยังมาเลยธรรมะจัดสรร ถามจากคุณนกเวลานั่งภาวนาบางทีพุทโธหายพอนึกได้ก็พุทโธต่อทําอย่างไรให้สมาธิอยู่กับพุทโธตลอดคะก็ต้องฝึกบ่อยๆนอกจากไม่ใช่ฝึกแต่เฉพาะเวลานั่งอย่างเดียวให้ฝึกตั้งแต่ตื่นขึ้นมาเลยพอลืมตาขึ้นมาก่อนจะลุกขึ้นจากเตียงก็พุทโธพุทโธไปเดินไปห้องน้ําไปอาบน้ําอาบท่าแต่งเนื้อแต่งตัวก็พุทโธไปอย่าไปคิดเรื่องอื่นแล้วต่อไปมันจะติดเป็นนิสัย แล้วมันก็จะพุโทโธไปเรื่อยๆ เ, เวลานั่งสมาธิมันก็จะพุโทโธแล้วพุโทโธจะไม่หายแล้วมันก็จะสงบมันก็จะตกลุมต ก, ตกบ่อแล้วก็จะเบาจะสบายมีความสุขเวลาเครียดเราก็พุทโธได้เวลาทํางานแล้วเครียดแล้วก็พุโทโธไปเวลาใคร พ, พูดอะไรไม่ดีเราไม่สบายใจเราก็พุโทโธพุทโธไปอย่าไปคิดถึงคําพูดของเขายิ่งคิดยิ่งไม่สบายใจใหญ่พอเราพุทโธพุทโธเราก็จะลืมคำ าการพูดของเขาคําพูดของเขาพอเราไม่ได้คิดถึงคำพูดของเขาเราก็ไม่เราก็ไม่เครียดกับคําพูดของเขาเราก็จะสบายการพูดโธนนี้เป็นสิ่งที่มีคุณค่าอย่างยิ่งขอให้เราฝึกทําบ่อยๆทําทั้งวันอย่าทําแต่เฉพาะเวลาที่เรามานั่งอย่างเดียวมันจะไม่มีกําลังมันจะหายไปแต่ถ้าเราทํำบ่อยๆแล้วมันจะมีกําลังมันจะอยู่ คำถามจากคุณพานุวัตรค่ะตั้งใจฆ่ายุงและตั้งใจฆ่าวัวบากเท่ากันไหมครับคือเขาว่าโทษที่ฆ่านี่มันอยู่ที่คุณของคนที่เราฆ่าว่ามีคุณมากคุณน้อยถ้าสิ่งที่มีคุณมากก็มีโทษมากกว่าฆ่าสิ่งที่มีมคุณน้อยเช่นยุงนี้มันไม่มีคุณมันมีแต่โทษฆ่ามันก็ โทษก็ น, น้อยบาป ก, ก็ น, น้อยแต่ค่าวัวค่าควายนี่มันมีบุญมีคุณกับเราสมัยก่อนเราอาศัยวัวควายเป็นอ่าเป็นเป็นผู้ช่วยทางาน ถ, ถายไล่ตา่ายนายเราก็ค่ามันก็ถือว่าเป็นเป็นโทษหนักกว่าแล้วยิ่งถ้ามาค่าพ่อค่าแม่นี่ยิ่งหนักใหญ่ค่าคนธรรมดาไม่หนักเท่ากับค่าพ่อค่าแม่ เพราพ่อแม่มีพระคุณกับเรามากกว่าค่าพระอรหันต์ก็หนักเท่ากับค่าพ่อค่าแม่พระพุทธเจ้านี้ไม่ต้องถึงกับค่าเพียงแต่ทําให้พระพุทธเจ้าห่อเลือด ก, ก็ถือว่าได้เท่าได้โทษเท่ากับการค่าพ่อค่าแม่ค่าพระ อ, อรหันต์งั้นมันโทษจะหนักหรือจะเบาบาปจะหนักหรือจะเบาอยู่ที่บุคคลที่เราค่าสิ่งที่เราค่าว่าเขามีคุณกับเรามากน้อยเพียงไร ถามจากคุณสุภนัทอยากให้พระอาจารย์ช่วยอธิบายจิตกับเจตสิตกแบบเข้าใจง่ายๆครับเราไม่รู้นะเจตสิตกเนี่ยเราไม่มันอธิบายไม่ได้ลองลองเปิด Google ดูนะว่าเจตสิกแปลว่าอะไรแล้วจิตแปลว่าอะไรห้องถามจากคุณพิรัฐวิธีแก้กิเลส ท, ที่ชอบฟังเพลงเพราะๆต้องทำอย่างไรครับ ก็บังกขาเป็นฟังเพลงไม่พอสักพักเนี่ยถ้มันฟังเพลงไม่พอทุกครั้งที่มันอยากจะฟังเพลงเพราะๆก็เอาเพลงไม่พอใหมันฟังเช่นเราชอบลูกทุ่งเนี่ยเปิดลูกกุ ng ให้มันฟังเดี๋ยวมันก็เบื่ออย่าไปฟังตามที่ตามใจมันยิ่งฟังตามใจมันก็ยิ่งติดคำถามจากคุณสมพร เวลานั่งสมาธิแล้วเพ่งจนรู้สึกอึดอัดมากครับเมื่อก่อนไม่เป็นเพราะเวลาทําสมาธิแล้วเพลินขอคําแนะนําครับถ้าอึดอัดก็สวดมนต์ไปก่อนอย่าไปเพ่งแสดงว่ากิเลสแรงแรงนั้นไม่ยอมเพ่งมันอยากจะเที่ยวก็ให้มันเที่ยวกับบทสวดมนต์ไปให้มันคิดไปกับบทสวดมนต์ก่อนมันอยากจะท่องเที่ยวก็ให้มันท่องเที่ยวไปกับบทสวดมนต์หรือมันท่องเที่ยวในอาการสามสิบสองของร่างกายก็ได้ไปท่อง ต้องผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเองกระดูกไปทองกลับไปกลับมามันจะไม่เครียดแล้วเดี๋ยวพอมันหายเครียดเราค่อยมาเพ่งลบต่อไปคำถามจากคุณพรรดาค่ะในนิพพานมีตัวรู้ไหมครับก็ตัวรู้เนี่ยที่เป็นนิพพานก็จะตัวรู้ที่ไม่มีกิเลสก็เป็นนิพพานตัวรู้ที่ยังมีกิเลสก็เป็นผูทุชนเนี่ยตัวเราเนี่ยเป็นตัวรู้ที่มีกิเลสใช่ไ ยังโลภยังโกรธยังหลงยังอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้อยู่ก็เลยเป็นปุถุชนเป็นสัตว์ที่ยังเวียนว่ายตายเกิดอยู่นี่ก็สัมภเวสีพระพุทธเจ้าพระอรหันต์นี่เป็นตัวรู้ที่ปราจากความโลภโกรธหลงปราจากความอยากท่านก็เลยเป็นนิพพานไม่ได้เป็นสัมภเวสีคําถามจากคุณจตุพรค่ะเตโชวิปัสนาคืออะไรต่างจากสมาธิวิตัสนาอย่างไรคะ อันนี้ลองไปเปิดดูแล้วกันไปเปิด Google ดูดีกว่าคำถามจากคุณพึ่งหากเราใช้สติเข้ามาใช้กําหนดเวลาที่มีความอยากแต่ในชีวิตประจำวันเราสามารถตัดได้บ้างตัดไม่ได้บ้างเราควรทําอย่างไรคะก็พยายามทําให้มันมากขึ้นเลยมันจะได้ตัดได้มากขึ้นพยายามจเจริญสติให้มากขึ้นเวลาที่เราไม่ต้องใช้ความคิดก็อย่าไปปล่อยให้มันคิดเรื่อยเปื่อย ให้มันมาคิดอยู่กับพุโทโธพุธโทโธแล้วคิดอยู่กับบทสวดมนต์ไปแล้วมันก็จะทำให้ความอยากให้มันน้อยลงไปเบาลงไปคำถามจากคุณชิตติทัศน์วันนี้เห็นภาพสุนัขจระจัดสิ้นใจตายเพราะนํำส่งโรงพยาบาลไม่ทันส่วนอีกตัวส่งทัน์แต่ไม่แน่ใจว่าจะรอดไหมควรวางใจเช่นไรดีคะรู้สึกขดหูมากคะ่ะก็เป็นเรื่องของมันไม่ใช่เรื่องของเรา เเป็นกรรัมขอ ง, รรของาคำถามจากคุณรัต ด, ดาค่ะได้เริ่มเรียนรู้จากการท่องพุโทโธจากคำสอนของพระอาจารย์พยายามนั่งสมาธิแต่ยังมีแค่รู้กับสิ่งที่ทำยังหาสมาธิไม่เจอขอคาแนะนำด้วยค่ะก็อย่าไปหาให้อยู่กับพุโทโธอย่างเดียวสมาธินี่หาไม่ได้ยิ่งหายิ่งไม่เจอใหญ่ต้องไม่หาต้องพุโทโธไปเรื่อย เวลานั่งหลับตาก็พุโทโธพุโทโธอย่าไปสนใจว่ามันจะสงบหรือไม่สงบนะถ้าไปสนใจกับความสงบนี้มันก็จะไม่สงบเพราะมันไม่ได้อยู่กับพุโทโธตัวพุโทโธนี้จะเป็นตัวพาเราไปสู่ความสงบถ้าเราไม่อยู่กับพุโทโธเราไปอยู่กับความสงบมันจะไม่ได้ความสงบคํถาถามจากคุณวานิศเวลาไปทําบุญแล้วสบายใจเป็นเพราะอะไรครับก็เพราะว่าเราได้เสียสละ เงินที่เราจะไปซื้อของให้กิเลสเอามาทำบุญแทนมันก็เลยทำให้เรามีความสุขใจขึ้นมาจากการเสียสละเงินจากการที่เร า, เาหยุดใช้เงินตามความอยากเราได้คาถามจากคุณทิพวรรณถ้าเครียดมากๆเราจะทำอย่างไรก่อนเจ้าคะก็พุโทโธพุทโธไปคาถามจากคุณนันทนา วัดแถวบ้านโยมเจ้าอกเจ้าอาวาสเขาชอบให้คนมาวัดสวดมนต์ทุกคืนวันอาทิตย์ประมาณสองชั่วโมงแต่นั่งสมาธิหน่อยเดียวโยมรู้สึกว่าไม่ชอบสวดมนต์ยาวๆยิ่งเป็นภาษาบาลีสวดไปก็ไม่รู้ว่าแปลว่าอะไรแต่โยมชอบนั่งสมาธิเฉยๆคะ่ะอะไรมีประโยชน์กว่ากันคะนั่งสมาธิมันมีประโยชน์กว่าเพราะมันทําให้เราได้ความสงบมากกว่าการสวด แต่คนที่ไม่ยังไม่มีสตินั่งสมาธิก็จะนั่งไม่ได้ก็ต้องก็อาศัยการสวดไปก่อนเป็นการสร้างสติขึ้นมาก่อนเหมือนกับการสวดพุทโธพุทโธเนี่ยมันก็เหมือนกับการสวดมนต์นั้นบางทีก็ต้องบางทับให้สวดไปสักชั่วโมงสองชั่วโมงก่อนเสร็จแล้วค่อยนั่งต่อทีมันสวดมานานมันคงจะเมื่อยเลยนั่งต่อไปไม่ได้นานแต่ถ้าเรานั่งสมาธิได้โดยที่ไม่ต้องสวดเราก็นั่งไปเลย เราก็ไม่ต้องไปวัดก็ได้การนั่งสมาธินี่นั่งคนเดียวก็ได้นั่งคนเดียวจะดีกว่าเวลาพระพุทธเจ้าตัดสู้ก็ไม่ได้ตัดสู้กับคนอื่นในชะ่ไหมพระพเจ้าก็ตัดสู้คนเดียวเวลาปฏิบัติธรรมนี่จะได้ผลดีกว่าถ้าเรานั่งคนเดียวปฏิบัติคนเดียวคำถามทางยูท b e จากคุณอากาลิโกค่ะการปฏิบัติเมื่อเราปฏิบัติเรื่อยๆ พอมีวิธีรู้ว่าทางที่จิตจะเดินทางไปไหมครับเราจะรู้ตอนมีชีวิตอยู่นี้ได้หรือไม่เราจะพอมีวิธีไหนเป็นเครื่องวัดจิตใจเราจะไปอย่างไรไปที่ไหนครับรู้ถ้าเราปฏิบัติไปท่านใจเราสงบมีความสุขมากขึ้นเราก็รู้ว่าเรากาลังไปไปสู่สุขกติกันสุขสิคือคือความความสงบความสุขของใจที่มีหลายระดับ มีระดับเทพระดับพรหมระดับนิพพานระดับพระอริยเจ้าเกิดจากการจะปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาถ้าเราปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาอย่างต่อเนื่องเราก็จะได้ความสงบเพิ่มมากขึ้นไปตามลําดับเราจะได้ความสุขมากเพิ่มขึ้นไปตามลําดับแล้วเราจะรู้ว่า<ล>เวลาเราตายไปเราจะไปไหนกันแต่ถ้าเราไม่ปฏิบัติศีลสมาธิปัญญา ใจเราจะร้อนใจเราจะทุกใจเราจะวุ่นวายเราก็จะรู้ว่าเราจะไปทางไหนคําถามจากคุณสุภัตตาเคยได้ยินคําว่าปฏิบัติปฏิยัสปฏิเวธไม่เข้าใจความหมายของปฏิเวธค่ะปฏิยัสอีกฮะไม่ชอบมีคําสําคัญใหม่ๆเลยปริยัสอ่านดิเข้าใมา้ยปฏิยัสเนี่ย <laughs> แล้วระยะเข้าไปเหมือนอุจจารสมาธิวันนี้ก็มีตอนนี้จปริยัติปริยัติปฏิบัติปฏิเวทปริยัติแปลว่าการศึกษาพระธรรมคาสอนเช่นการฟังเทศฟังธรรมนี้เรียกว่าปริยัติหรืกอการอ่านหนังสือธรรมะหรืเรียนนักทำตีโทเอกนี่เรียกว่าปริยัติศึกษาพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้า แล้วก็นำเอาไปปฏิบัติเช่นมานั่งสมาธิมารักษาศีลมาต่อสู้กับกิเลสตัณหาความอยากต่างๆนีเรียกว่าปฏิบัติอพอเราเอาชนะกิเลสตัณหาได้ก็ปฏิเวทบรรลุคือหลุดพ้นจากอำนาจของกิเลสตัณหาหลุดพ้นจากความทุกข์ที่เกิดจากกิเลสตัณหาสร้างขึ้นมาเราก็เรียกว่าปฏิเวทบรรลุเป็นขั้นๆไป ขั้นโสดาบันขั้นสกิท า, า, า, าคามีขั้นอนาค า, า, ามีขั้นอรหันต์นี่เรียกว่าปฏิเวทนี่คือแนวของการดำเนินทางศาสนาของพุทธศาสนาคือต้องปริยัติก่อนแล้วก็ปฏิบัติแล้วค่อยปฏิเวทแต่คนสมัยนี้ไม่ชอบปริยัติไม่ชอบปฏิบัติชอบปฏิเวทก็เลยปฏินึกกันไปคิดกันไปว่าตอนนี้เป็นโสดาแล้วตอนนี้เป็นนั้นเป็น น, นี่แล้ว แต่กิเลสไม่ได้ตายไปสักตัวนึงคำถามจากคุณมาริค่ะนั่งสมาธิแล้วรู้สึกเคิมเคิมเบาสบายแต่ไม่ตกหนุนตกบ่อยอย่างนี้ไม่ใช่สมาธิใช่ไหมคะยังเข้าไม่ถึงอาจจะอยู่ปากบ่ออยู่พยายามพุทโธต่อไปเดี๋ยวมันก็จะถึงถึงบ่อแล้วมันก็จะตกลงไปคำถามทาง YouTube จากเ็กน้อยค่ะ ช่วยอธิบายระหว่างการปล่อยวางกับการวางเฉยให้พอเข้าใจง่ายๆค่ะคือให้ปล่อยวางหรือวางเฉยทางอารมณ์แต่ไม่ได้ปล่อยวางรละวางเฉยทางเหตุผลเข้าใจไหมเช่นเรามีหน้าที่อะไรเราก็ต้องทําไปแต่เราจะปล่อยวางทางอารมณ์คือเราจะไม่วุ่นวายไปกับงานที่เราทําว่าจะได้มากได้น้อยอย่างไรเราก็ทําไป เช่นทำแล้วขาดทุนแล้วก็ก็ปล่อยมันขาดทุนไปทำแล้วมันกำไรก็รู้ว่ามันกำไรไปแต่เราจะไม่ไม่ดีใจเสียใจกับการกำไรหรือขาดทุนเรียกว่าปล่อยวางทางจิตใจใจเราไม่ไปทุกข์กับมันไม่ไปทุกข์กับผลงานที่เราทำแต่เรายังต้องทำงานอยู่เราก็ทำไปปล่อยไม่ได้เพราะเรายังต้องทำมาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องอยู่ ไม่ใช่ปล่อยวางแบบไม่ทำอะไรเลยเอาแต่กินอย่างเดียวแล้วใครจะมาเลี้ยงเราล่ะใช่ไหมเราก็ต้องมีหน้าที่ล้วหน้าที่ปล่อยวางไม่ได้ก็ทำไปแต่ทำด้วยใจที่ปราศจากอารมณ์คือไม่ได้ดีใจเสียใจกับอย่างพระนี่ไปบินทบาทนี่ไม่ให้มีอารมณ์กับการบินธบาตคือปล่อยวางเรื่องคนที่จะใส่บาตว่าเขาจะใส่อะไรมาก็เรื่องของเขาเขาจะให้เราเรามาก็เรื่องของเขา เราไม่ต้องไปดีใจเสียใจกับของที่เขาให้เรามามนี่เร e <ม>ียกว่าปล่อยวางทางอารมณ์แต่ไม่ปล่อยวางทางหน้าที่หน้าที่คือต้องไปบินทบาทก็ไปมไม่ใช่ปล่อยวางทางหน้าที่ไปบินทบาบบทกี่ทีก็ไม่ได้ของชอบกินเลยไม่ไปดีกว่าอย่างนี้เรียกว่านี่แสดงว่าไม่ได้ปล่อยวางไม่ได้ปล่อยวางทางอารมณ์แต่ปล่อยวางทางหน้าที่เพื่อมีอารมณ์อยากจะได้ของชอบ เมื่อไม่ได้ของชอบก็เลยไม่ไปไม่ไปบิณฑบาตดีกว่าสู้อยู่วัดสั่งเด็กให้มันซื้อมากินดีกว่ายงนี้เรียกว่าเรียกว่าเป็นการเป็นการปล่อยวางทางหน้าที่แต่ไม่ปล่อยวางทางอารมณ์มันต้องปล่อยวางทางอารมณ์แต่หน้าที่ไม่ควรจะปล่อยหน้าที่เรามีต้องทำถึงเวลาเราก็ต้องทาถึงเวลาต้องการาบลานวัดเราก็ต้องการาบลานวัดไม่ใช่พอมีอารมณ์ไม่อยากจะกวาดก็ไม่กวาอย่างนี้ก็ไม่ได้ เราต้องไม่มีอารมณ์เกี่ยวกับความอยากกวาดหรือไม่อยากหรือไม่อยากกวาดถึงเวลาต้องกวาดก็กวาดหน้าที่ถึงเวลาต้องกินก็กินอยากจะกินหรือไม่กินก็กินมันไปนี่เรีย ก, กว่าการปล่อยวางทางอารมณ์ไม่มีอารมณ์มาเกี่ยวข้องแต่ไม่ปล่อยวางทางหน้าที่ถ้ามีหน้าที่ต้องทำก็ทำไปคำถามจากคุณสิรินทร์ค่ะนั่งสมาธิแล้ว่วงนอนค่ะแก้อย่างไรคะ ส่วนหนึ่งก็คือต้องลดประมาณการรับประทานอาหารลงผู้ที่นั่งสมาธิเขาจึงแนะนำให้ถือศีลแปดกันถ้าอยากจะปฏิบัตินั่งสมาธิแต่ถ้าเราปฏิบัติแบบพอหอมปากหอมคอก่อนนอนสิบนาทีสิบห้านาทีแล้วทั้งง่วงก็นอนเลยดีกว่าเพราะว่ามันนี้ไม่ถือว่าเป็นการปฏิบัติแบบเอาจริงเอาจังถ้าจะปฏิบัติแบบเอาจริงเอาจังนี่ต้องถือศีลแปดกัน ต้องไม่กินอาหารหลังจากเที่ยงวันไปแล้วแล้วถ้ายัางง่วงอยู่ก็ให้ลดปริมาณลงอีกแทนที่จะกินสองมื้อก็เอาแค่มือเดียวอย่างนี้มันก็จะช่วยลดความง่วงเหงาได้แต่ถ้านั่งสมาธิแบบพอหอมปากหอมคอก็ถ้ามันหลับก็ถือว่าพอละถึงเวลานอนแล้วก็นอนไปแต่ถ้าอยากจะเอาผลจากการนั่งสมาธิเป็นกอบเป็นกรรมก็ต้องมาถือสิลแปดกัน ต้องลดปริมาณของการรับประทานอาหารให้น้อยลงไปแล้วถ้ายังง่วงอยู่ก็อาจจะต้องอดอาหารหรือไม่ใช่นนั้นก็ต้องไปหาที่น่ากลัวนั่งไปนั่งในป่าช้าไปนั่งต่อหน้าศพเนี่ยบางสำนักปฏิบัติธรรมในนี้เขมีจัดหลุมศพให้ไปนั่งต่อข้างหน้าให้เห็นศพศพนี่เขาไม่ปิดฝาลงให้เขาเปิด้าลงให้ไปนั่งนั่งจับคู่กันเลยอย่างนี้รับรองได้ไม่มีวันง่วง ถามจากคุณป็อกกี้หนูแอบรักคนที่มีเจ้าของจะบาปไหมคะตาใบบัญณัของก็ยังไม่บาปนะ <S <S แต่ก็ให้รู้ว่ากําลังจ ะ, ะ, ะกําลังจะเข้าไปสู่การทําบาปะนะควรจะรีบเปลี่ยนใจนะใ ห, ให้เคารพในสิทธิ์ของคนอื่นเขาเหมือนอย่ากำลังจะจ้งองไปจะขโมยของคนขอ ง, ของคนอื่นนะเห็นกระเป๋าคนอื่นแล้วชอบอย่างเงี้ยเดี๋ยวถ้าชอบมากๆเดี๋ยวห้ามใจไม่ได้เดี๋ยวก็รอจังหวะพอเจ้าของเผลอก็ขโมยไป ดังนั้นมันก็จะบาปแต่ตอนนี้ยังไม่บาปแต่จะเริ่มบาปแล้วใกล้จะทำบาปแนละ้วเดี๋ยวพอเกิดคนที่เราชอบเกิดแฟนเขาไม่อยู่เขาอยู่คนเดียวเดี๋ยวแล้วก็เข้าไปแย่งได้แล้วคำถามจากคุณปริญญาค่ะผมเริ่มศึกษาธรรมะฟังเทศนาของพระอาจารย์ผมไม่ค่อยฝันในเวลาหลับมานานหลายปีแล้ว อยากถามว่าผมฝันแต่จะไม่ได้หรือผมฝึกมองตามความเป็นจริงของธรรมะครับบางทีเวลาเราฝันบางทีพอเราตื่นขึ้นมาเราก็ลืมเลยนั่นจะฝันก็ไม่ฝันนี่เราไปบังคับมันไม่ได้เราก็ไม่ต้องไปสนใจความฝันนี่มันเป็นเพียงการการการเป็นแจ้งผลของการการะทําของเราถ้าเราฝันดีเราก็มักจะเป็นผลที่เกิดจากการทําความดีของเรา ถ้าเราฝันร้ายก็เป็นผลที่เกิดจากการทำบาปของเราแต่บางทีฝันแล้วบางทีพอตื่นขึ้นมาก็ลืมไปก็ได้งั้นก็ไม่ต้องไปกังวลว่าเราฝันหรือไม่ฝันรู้ว่าจำได้หรือเปล่าว่าเวลาที่เราฝันแล้วฝันอะไรเป็นเรื่องของเป็นเรื่องของความฝันมันมันไม่มีประเด็นอะไรสำคัญกับชีวิตของเรามากนะคาถามจากคุณมน ถ้านั่งจนเราตกหลุมแล้วเราหยุดนั่งไปเดือนหนึ่งแล้วมานั่งต่อเราจะนั่งตกหลุมต่อไหมครับลองดูสิลองดูสิปากว่าไม่เท่าหนึ่งตาเห็นเนะี่ยมันไม่แน่หรอกเพราะว่ามันจะลงไม่รู้ไม่ลงนี่มันอยู่ที่สติบางทีนั่งวันนี้ลงพพิ่งนี้นั่งอยากจะให้มันลงมันก็ไม่ลงลนะพอเกิดเวลาเกิดความอยากมันก็ไม่พุโทโธละมันจะอยากอย่างเดียวอยากจะให้มันลง นั่งแล้วก็อยากให้มันลงอยากให้มันลงอยากให้มันลงนี่มันไม่อยู่กับพุทโธมันก็ไม่ลงอ่ะเวลานั่งครั้งต่อไปก็ต้องลืมเมื่อวานนี้ว่ามันลงไปแล้วเอให้อยู่กับวันนี้ให้อยู่กับพุทโธใหม่พุทโธพุทโธไปเรื่อยๆถ้าอยู่กับพุทโธเดี๋ยวมันก็ลงแต่ถ้าไปอยู่ถึงเมื่อวานนี้คิดถึงเมื่อวานนี้มันลงวันนี้อยากให้มันลงแต่ถ้านั่งแบบนี้ไม่มีวันลง คำถามจากผู้มิตรสงออกนามเรื่องของธรรมะจัดสรรยอมเข้าใจว่าต้องเจอกับพระแท้เราศรัท ธ, ธาและได้ปฏิบัติตามคำสอนที่ตรงกับพระพุท ธ, ธเจ้าทรงสอนเกี่ยวกับเรื่องศีลสมาธิปัญญาไตรรัตน์แต่ถ้าบาังเอิญเราไปเจอกับคำสอนที่ไม่ใช่คำสอนของพุทธแท้แต่หลงไปศรัท ธ, ธาเพราะเข้าใจว่าถูกทางอย่างนี้ถือว่าธรรมะจัดสร ร, รหรือเปล่าคะแล้วทำอย่างไร ถึงจะรู้ตัวว่าผิดทางคะไม่รู้เหมือนกันว่าบางทีคนหลงมันก็ไม่รู้ว่ามันผิดทางก็ต้องปล่อยให้มันหลงไปจนกว่ามันจะหายหลงก็ต้องร้องห่มร้องไห้ต้องเศร้าโศกเสียใจก่อนถึงจะมันรู้สึกแต่ว่าถูกเขาหลอกเนี่ย อ, อันนี้เพราะบางทีหลงคนไปบอกก็ไม่ได้ใช่ไหมบางทีคนหลงเข้าเชื่อของเขาอย่างนั้นนะ แล้ใครไปบอกเขาว่าอย่าไปเชื่อเขากลับมองเราในในแง่ร้ายสิก็ได้เะงั้นบางคีก็ต้องให้อำนาจของความหลงมันมันหมดกำลังไปหรือไปเจอตอเจอเจอหินเข้าไปสะดุดเข้าไปเจอก้างเข้ามันถึงจะรู้ว่าอ๋อกำลังกาลังเคี้ยวก้างกันไม่ได้เคี้ยวเนื้อกันคำถามจากคุณอากาลิโกค่ะเราพอมีวิธีรักษาจิตใจอย่างไรให้เหมือนเดิมทุกๆวัน มีวิธีรักษาจิตให้เที่ยงเหมือนเดิมทุกๆวันได้ไหมครับเดี๋ยวดีเดี๋ยวเปลี่ยนไปอีกอย่างครับผมได้ถ้ามีสติมีปัญญาก็จะสามารถรักษาใจให้ให้ดีไปตลอดได้ทุกวันพระพุทธเจ้าพระสาวกนี่ท่านมีสติมีปัญญาใจของท่านก็เลยสงบตลอดเวลาเพราะท่านสามารถควบคุมกิเลสตัณหาที่เป็นตัวสร้างความวุ่นวายสร้างความไม่สบายใจต่างๆให้ให้หมดไปได้ ใจก็จะสงบจะสบายไปตลอดเวลาเรียกว่าปรมังสุขขังบรลมังสุขต้องใช้สติใช้ปัญญาคำถามจากอาจารย์แล้วดิฉันนั่งสมาธิจนมาถึงเห็นร่างกายไม่มีแล้วตอนนี้หยุดนั่งเพราะว่าเบื่อหน่ายอยากตายจนไม่อยากไปต่อควรทำอย่างไรต่อเจ้าคะตอนนี้หยุดนั่งสมาธิมาเป็นปีแล้วเจ้าคะ่ะพอน่งว่าไป แต่ความจริงก็ยังอยากตายอยู่ค่ะก็เพราะว่าเรายังไม่ได้เจอสมาธิที่แท้จริงไงสมาธิแท้จริงนี่มันจะสุขมากจะทำให้เราไม่อยากตายจะทำให้เราอยากอยู่อยากปฏิบัติธรรมให้มากขึ้นไปแสดงว่านี่ไม่ใช่สมาธิเป็นอะไรก็ไม่รู้ถ้าเรียกว่าวิปัสสนูมังเป็นความหลงเป็นความเป็นความรู้สึกที่ผิด ถ้าเป็นธรรมแล้วจะมีความสุขจะไม่คิดถึงเรื่องตายเรื่องเป็นคือจะรับได้ทั้งสองอย่างอยู่ก็อยู่ได้ตายก็ตายได้คนที่มีความสุขใจจะเป็นอย่างนั้นถ้าไม่มีความสุขใจแล้วอยากจะตายก็แสดงว่าใจยังไม่สงบใจยังไม่ว่างร่างกายหายวะรู้หายยังไงก็ไม่รู้คำถามจากคุณพาลินค่ะกละผมพื่งจบปริญญาตรี มีความลังเลใจในการตัดสินใจวางแผนอนาคตรตะหว่างการไปเรียนต่อต่างประเทศเพื่อพัฒนาศักยาภาพของตนเพื่อกับเลี้ยงดูครอบครัวหรือผมควรเริ่มทำงานดีครับก็แล้วแต่เราถามตัวเราเราต้องการอะไรต้องการเงินก็ทำงานไปถ้าต้องการความรู้เพิ่มเติมก็ไปเรียนต่อคำถามจากคุณสุนี นั่งไปสักพักพูดไปเหมือนหัวบุบเหมือนกระป๋องบุกตั้งใจรีบตั้งสติก็เลยหายไปปรากฏการณนี้คืออะไรครับไม่รู้เหมือนกันก็ไม่ได้ไม่โดยสนใจให้รู้ว่ามันยังไม่ใช่สมาธิก็แล้วกันถ้ามันเป็นสมาธิมันต้องตกหนุมตกบอแล้วสบายมีความสุขแสดงว่า เ, วเรานั่งแบบไม่มีพุโทโธบางทีนั่งแล้วปล่อยให้ใจมันผลิตอารมณ์ต่างๆความรู้สึก ต่างๆขึ้นมานั่งสมาธิต้องมีอะไรกำกับใจต้องมีพุโทโธพุโทโธไปอย่าปล่อยให้นั่งเฉยๆมาแล้วนะวันนี้ปัญหายาวเลยมีใครอยากจะถามเพิ่มเติมไหมเดี๋ยวนั่งพักสักเดี๋ยวเผื่อมีใครกำลังพิมพ์เข้ามาอยู่อค่สองสามข้อขอพักเหนื่อยเดี๋ยวนั่งสมาธิไปสักสองสามนาทีก็ได้ ไม่ต้องนั่งหรอกนั่งเฉยๆไม่ต้องหมพอพ่อนนั่งสมาธิจะตั้งท่านั่งเลยโอ้ ส, สงองส า, า, ามนาทีอ่าคือคุณแม่ะคะถามว่าถ้าคุณแม่แสมาธิแล้วก็สวดสวดส่วนว น, นี้ตา ย, ยาแล้วก็ทำอย่งงางไคะจะได้อ า, า, านุภาพงนบ้าการสวดก็ได้สติแล้นั่งถ้าสวดแล้วจิตสงบก็ได้สมาธิก็ เวลาส่วนนี้เป็นการฝึกสติไงเป็นการควบคุมใจไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆก็เป็นการสร้างสติมาเบ็ดความคิดนะพอเราส่วนมนเราก็จะไปคิดถึงขนมน ม, นมเนยคิดถึงที่ท่องเที่ยวไม่ได้เราก็จะไม่เกิดความอยากจะไปเที่ยวอยากจะไปกินขนมแต่ใจก็ยังไม่สงบถ้าใจสงบต้องให้มันตกลุมตกบ่อการส่วนนี้มักจะไม่ทําให้ถึงกับได้สมาธิ ได้เพียงสติหรือความเบาเบาใจความไม่ฟุ้งซ่านถ้าอยากจะให้ตกลุมตกบอ่อพอสวดไปสักระยะต้องหยุดแล้วก็ท่องพุโทโธไปคําเดียวอย่างเดียวต้องพุโทโธอย่างเดียว <c oughs> แล้วเดี๋ยวมันก็จะสงบ <c oughs> เป็นสมาธิมันจะตกลุมตกบอ่อพอได้สมาธิแล้วก็จะมีความสุขมากถ้าตายไปก็ไปเกิดบนสวรรค์ชั้นพรหม เองไหมไม่มีมมแล้วมีเองไหมขมา่ามาคำถามจากคุณจิตินทร์ค่ะเพื่อเป็นศัตวแพทย์ทำหมันให้คุณนะัก แ, แมวบาปไหมคะอ๋อไม่บาปหรอกไม่ได้ไปฆ่าขเขาคําถามจากคุณยิ่งยอดสอบถามเรื่องอวิชาต่างระดับครับเป็นางานวิชาต่างระดับ พึ่งได้ยินวันนี้อวิชาก็มีตัวเดียวไม่มีต่างระดับอวิชาแปลว่าความไม่รู้ในอริยาาสัจสี่ยังไม่เห็นอริยาาสัจสี่เรียกว่าวิชาคนที่เห็นอริยาาสัจสี่เรียกว่ามีวิชามีธรรมะมีดวงตาเห็นธรรมต้องเห็นของจริงนะไม่ใช่เห็นชื่อของมันอย่างตอนนี้เราเห็นชื่อของมันอย่างตอนนี้เรารู้ทุกสมุทัยนิโรธมาก แต่เวลามันโผล่ขึ้นมาเรากลับมองไม่เห็นเวลาเราไม่สบายใจนี้เรามองไม่เห็นว่าทุกโผล่ขึ้นมาะแล้วเราก็มองไม่เห็นสมุทัยต้นเหตุของความทุกข์ก็คือความอยากการที่จะเห็นความอยากเป็นต้นเหตุของความทุกข์กลับไปเห็นสมุทัยเป็นต้นเหตุของการให้เรามีความสุของอยากไปเที่ยวต้องไปเที่ยวถึงจะได้มีความสุขเนี่ยนี่มันเห็นกับตาลปัดยังเห็นแบบอวิชชาอยู่ถ้าเห็นแบบ วิชาเห็นแบบธรรมะมันจะรู้อ้อนี่เราทุกข์เพราะอยากงั้นถ้าเราไม่อยากจะทุกข์เราต้องหยุดความอยากฝืนความอยากเช่นคนทุกข์เพราะอยากจะสูบบุหรี่ต้องไม่สูบต้องยอมทุกข์ต้องอดทนอดกั้นไว้เดี๋ยวต่อไปความอยากสูบบุหรี่มันก็จะหมดกำลังเอาหมดกำลังแล้วต่อไปมันก็จะไม่มีความอยากจะสูบบุหรี่คถามจากคุณมานิดา หายใจเข้าพุทธหายใจออกโธได้ใช่ไหมคะได้คำถามจากคุณศรีนวลการปฏิบัติธรรมทำอยู่ที่บ้านได้ใช่ไหมครับได้คำถามจากคุณสุพนัทค่ะศีลส่งเสริมสมาธิอย่างไรครับก็จะได้ให้เรามีเวลามานั่งสมาธิกันไงถ้าเราถือศีลแปดเราก็ไปเที่ยวไม่ได้ดูหนังฟังเพลงไม่ได้นอนกับแฟนไม่ได้ นอนบนเตียงใหญ่ๆฟูกหนาๆไม่ได้เพราะมันจะนอนนานเกินไปแต่งเนื้อแต่งตัวไม่ได้ดูหนังฟังเพลงไม่ได้เราก็จะมีเวลามานั่งสมาธิถ้าเราไม่ถือศีแลแปดเรก็ไปเที่ยวได้เดี๋ยวเย็นเพื่อนมาชวนไปกินเลี้ยงก็ไปได้เพื่อนชวนไปดูหนังฟังเพลงก็ไปได้ก็เลยไม่มีเวลามานั่งสมาธิกันก็เลยต้องถือศีลแปดจะได้กาจัดกิจกรรมที่จะมา ดึงใจให้ไปทําทําให้ใจไม่มีเวลามานั่งสมาธิกันคํถาถามจากคุณแถวนพาค่ะทวนกระแสจิตคืออะไรคะคือทวนกระแสกิเลสไงจิตเราในตอนนี้มันไหลไปด้วยอํานาจของกิเลสตัณหาความโลภความโกรธความหลงความอยากเราเลยต้องทวนกระแสนี้คือฝืนความโลภฝืนความอยากต่างๆเพราะฉถ้าเราฝืนได้ใจเราก็จะย้อนกลับขึ้นไปสู่พระนิพพาน ถ้าเราไม่ฝืนมันก็จะพาเราไปสู่วัฏะเวียนไห้ตายเกิดไปสู่การเวียนไหวตายเกิดในในวัฏะสงสารคำถามจากผู้มาตรสง์ออกนามโยมนั่งยังไม่เคยตกหลุมตกบอ่อแต่โยมเสียดายเวลาที่ผ่านไปในแต่ละวันเลยต้องนั่งทุกวันสงบบ้างไม่สงบบ้างไม่คาดหวังว่าต้องสงบ ทำไปเรื่อยๆได้ใช่ไหมคะได้แต่ต้องพุโทโธอยู่เรื่อยๆด้วยอย่าอย่าพุโทโธแต่เฉพาะเวลานั่งเวลานั่งก็ต้องมีพุโทโธอย่านั่งเฉยๆโดยไม่มีอะไรกำกับใจถ้านั่งเฉยๆไม่มีอะไรกำกับใจมันจะไม่ตกหลุมตกบ่อแล้วเดี๋ยวมันก็จะเกิดอาการแปลกๆต่างๆให้เราเห็นขึ้นมาแล้วจะทำใ ห, เ ร, งงำใหเรางงจะทาใหเราหลงได้ต้องระวังถ้าจะนั่งสมาธิต้องมีพุโทโธกำกับใจ อย่านั่งเฉยๆแล้วก่อนจะมานั่งก็ต้องฝึกพุทธโธให้อยู่ให้บ่อยๆพยายามแล้วเลึกถึงพุทธโธอยู่เรื่อยๆแล้วพอเรานั่งมันจะได้มีพุทธโธดึงใจให้ไปตกหลุมตกบ่อคําถามจากคุณนันทนาค่ะเทวดาลมมีตายเกิดไหมคะสุขบิของเทวดาอยู่ที่ไหนคะคือเทวดาลมนี้เขาไม่มีร่างกายเหมือนเราแต่เขา จิตเขาเสื่อมสภาพลงจากพรมมาเป็นเทวดาเป็นเทพคือจิตที่เป็นพรมก็คือจิตที่สงบเนี่ยพอจิตออกจากความสงบมาก็เสื่อมจากความเป็นพรมมาเป็นเทพพออกจากความสงบมาก็อยากจะเสพรูปเสียงกลิ่นลดแล้วพอเสื่อมจากเทพลงมาก็จะมาเป็นมนุษย์มาได้ร่างกายของมนุษย์ความเสื่อมของเทพของพรมนี่ไม่ไม่เสื่อมเหมือนกับของมนุษย์ ของมนุษย์เสืมที่ร่างกายร่างกายแก่เจ็บตายไปแต่ความเสื่อมของของพมของเทพยอยู่ที่ความความเสื่อมของความสงบความสงบน้อยลงไปจิตก็จะมีเกล็ดเพิ่มมากขึ้นมีความอยากในรูปเสียงจินรดเพิ่มมากขึ้นไปคำถามจากคุณขันติพง์ค่ะอัปนาสมาธิเมื่อลงถึงแล้วมีคนบอกว่าหูก็ดับใช่หรือไม่ครับ แต่ผมเห็นว่าไม่น่าใช่เพราะได้ยินแตบบ่จิตไม่มีความสนใจแตบบ่ตัวรู้จะรู้อยู่ใช่ไหมครับก็มันมีสองแบบแบบหายไปหมดและหูดับดับไม่ร่างกายทุกอย่างหายไปหมดเลือกเสียงกินรสหายไปหมดกับที่ร่างกายยังอยู่แต่ใจเป็นอุเบกขาเหมือนกันคือใจไม่ไ ม, ไม่ไม่มีอารมณ์กับสิ่งที่รับรู้เช่นร่างกายจะเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้ก็จะไม่ไม่รู้สึกอะไรจะเฉยเฉย ถามจากคุณพร น, นั่งแล้วจิตรวมเป็นว่างๆเหมือนอยู่อวกาศแล้วทำอย่างไรต่อครับก็ <c oughs> <c oughs> ให้มันว่างๆไปนานๆ <c oughs> ให้เป็นชั่วโมงได้ยิ่งดีค <c oughs> าถามจากคุณณพคลค่ะเจโตบริญญาณมีอาการเป็นอย่างไรครับไปเถอะไปเถอะไปหา google ดีกว่าเราก็ไม่รู้เหมือนกันไม่เข้าใจความหมายครับ ว่าที่ใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธานเอาไปเปิด Google ดูว่าแล้วกันหมดไมยังเอาแค่นี้ก่อนก็แล้วกัน น, ก น, ก น, ก น, นะเหนื่อยแล้ววันนี้ <c oughs> เดี๋ยวจะยุติไว้เพียงท่านี้ <c oughs> ขอให้ท่านจงนำเราสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพินิจพิจน า, าไปปฏิบัติ